เจริญพรทุกๆท่านไปมาจากที่ไกลๆลวะมาจากไหนกัน ช, กชิคาโก้ชิคาโก้ก็ที่มน์หลวงพ่อเหมือนกันนะแต่เส้นหลุยนิมนุ์ก่อน <c oughs> คุณหมอคงสัดไปนิมนยหลวงพ่อที่ได้ยังไม่ได้คิดจะมา ไกลถึงอเมริกาแล้วเทศอยู่ในประเทศไทยก็เทศไม่ไหวแล้วคุณหมออุตสาหไปนิมนต์รับรับอื่นเลยเข้ามาจอยด้วยจริงๆต้องมาเทศที่นี่ก่อนมีคนจัดคิวรถจัดเมื่อเป็นที่สุดท้ายการศึกษาธรรมะมันไม่ใช่เรื่องยากอะไรไเรื่องยาก เรารู้หลักของการปฏิบัติที่แม่นยำแล้วการปฏิบัติเนี่ยเป็นเรื่องที่คนธรรมดาธรรมดาอย่างพวกเราจะทําได้การปฏิบัติทำไม่ใช่เรื่องพิลึกพิลั่นอะไรที่ยากเกินกว่ามนุษย์ธรรมดาจะทําคําสอนของพระพุทธเจ้านี่เป็นคําสอนที่พอดีพอดีสําหรับมนุษย์ขนาดปานกลาง ไม่ต้องดีเลิศแต่เลวเลิศเลยก็ไม่ได้เหมือนกันคนธรรมดาธรรมด า, รรมานี้่ก็ทำมันเป็นเรื่องธรรมดามากเลยธรรมดาจนยากเพราะว่าเรามองข้ามเราไม่รู้หรอกว่าความสุขอันมหาศาลเราจะได้มาอย่างไงเราไม่รู้เลยว่าเราจะปลดจากความสุขได้ยังไงมันง่ายมากเลย คนทั้งหลายก็วิ่งหาความสุขวิ่งหนีความทุกข์วิ่งออกไปข้างนอกวิ่งไปหาอารมณ์ที่ชอบอกชอบใจหนีอารมณ์ที่ไม่ชอบอกชอบใจแท้จริงแล้วการแสวงหาความสุขอันแท้จริงลึกซึ้งประณีตที่สุดคือการที่ย้อนเข้ามาศึกษาตัวเองคนให้พบตัวเองถ้าเราค้นพบตัวเองได้แล้วเราจะพบความอิ่มอกอิ่ ม, มใจนะ มีปาโมดมีปีติปัสสัติมีสมาธิมีปัญญาขึ้นมาีพวกเราลองกลับข้างแทนที่เราเจะศึกษาออกข้างนอกเรามาศึกษากลับเข้าข้างในมาศึกษาตัวเองความทุกข์มันตั้งอยู่ที่ไหนความทุกข์มันตั้งอยู่ที่กายเรามาศึกษากายของเราเองความทุกข์มันตั้งอยู่ที่ใจเรามาศึกษาจิตใจของเราเองศึกษาจนรู้ความจริง เผชิญหน้ากับความทุกข์มาเรียนรู้ความทุกข์มาเรียนรู้กายมาเรียนรู้ใจถ้าเผชิญหน้ากับมันแล้วเห็นความจริงแล้วนี่จิตจะพ้นออกจากกองทุกข์ได้นี่เป็นความประหลาดในความอัศจรรย์ของธรรมะคนทั่วๆไปจะหนีทุกข์แล้วก็วิ่งหาความสุขพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้วิ่งหาความสุขเลยแล้วไม่ได้สอนให้วิ่งหนีทุกข์ท่านสอนให้เราเผชิญหน้ากับสิ่งที่เรียกว่าทุกข์ ก็คือมาเรียนรู้กายมาเรียนรู้ใจของเราเองทุ่มมันอยู่ที่กายทุ่งอยู่ที่ใจนี่เองมันเป็นศาสตร์ที่แปลกมากนะาศาสนาพุทธนี่ถ้าจะว่าไปแล้วนะมันก็ไม่เข้านิยามของคำว่ า, าศาสนาอย่างที่ตะวัน ต, ตกเขาคิดกันหนอกแล้วก็ไม่ใช่ปรัชญาไม่ใช่เมตาพิสิกจะเป็นศาสตร์อันหนึ่งเลยเป็นศาสตร์ที่สอนเราได้ละเอียดยิบเลย ถึงจิตใจของเราเนี<ช>้ยว่า<ช><ไ>ทําไมความทุกข์ถึงเข้ามาสู่จิตใจเราได้ความทุกข์อยู่ที่ร่างกายความทุกข์อยู่ที่จิตใจแต่ถ้าเราฝึกจิตดีแล้วความทุกข์จะเข้ามาไม่ถึงจิตใจถ้ายังมีชีวิตอยู่ความทุกข์เข้ามาได้แค่ร่างกายเท่านั้นเองจะเข้ามาไม่ถึงใจเราเนี้ยความทุกข์ทางร่างกายเป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เมื่อเรามีร่างกายขึ้นมาแล้วเราต้องแก่เราต้องเจ็บเราต้องตาย แต่ความทุกข์ทางจิตใจเนี่ยจิตที่อบรมดีแล้วจิตที่ฝึกดีแล้วนําความสุขมาให้ความสุขที่มหาศาลที่สุดคือพระนิพพานนิพพานมีจริงๆรนิพพานไม่ใช่โลกในอุดมคติไม่ได้อยู่โทเปียนิพพานเป็นสภาวะธรรมซึ่งมีอยู่จริงๆมีอยู่ต่อหน้าต่อตาเรานิพพานไม่เคยหายไปไหนเลยแต่พวกเราไม่เห็นเพราะจิตของเราไม่มีคุณภาพมากพอ จิตของเราไปวนเวียนยึดถืออยู่ในรูปนามกายใจนี้ก็เลยปิดกั้นตัวเองมีคุณสมบัติไม่พอที่จะเห็นสภาวะธรรมที่พ้นจากรูปนามกายใจคือตัวพระนิพพานนี่เราไม่ต้องไปหาความสุขที่อื่นเรามาค้นคว้าศึกษาเรียนรู้ตัวทุกข์คือตัวกายตัวใจของเราให้แจ่มแจ้ง ถ้าเรารู้ตัวกายตัวใจของเราแจ่มแจ้งได้จริงนะสมบูรณ์แบบแล้วนะจิตมันจะแยกออกจากกายใจจิตจะพลากออกจากขันห้าจิตก็อยู่กับกายอย่างนี้แหละแต่ว่าไม่มีอะไรในกายนี้จะกระทบเข้าถึงจิตได้จิตก็มีความรู้สึกสุขมีความรู้สึกเป็นอุเบกขาไม่มีความรู้สึกทุกข์แต่ความรู้สึกสุขความรู้สึกอุเบกขา้เก็เข้ามาไม่ถึงจิตอีก เมันพลากออกจากจิตไีจิตมันเป็นอิสระต่อความรู้สึกสุขหรือความรู้สึกกลางๆความจําได้ความหมายรู้ความปรุงดีทั้งหลายม่นเข้ามาไม่ถึงจิตหมดเลยไม่มีความปรุงชั่วเหรือแต่ความปรุงดีปรุงไปตามธรรมชาติความเคยชินของความเมตตากรุณาอะไรอย่างนี้นแต่ว่าไม่เข้ามาไม่ถึงจิต ถ้จิตเป็นสะอาดหมดจดไม่มีอะไรเข้ามาปรุงแต่งได้ถ้าจิตชนิดนี้แหละมีคุณสมบัติพอที่จะสัมผัสกับพระนิพพานพระนิพนพานอยู่ต่อหน้าต่อ ต, อตาเรานี่เองแต่เราไม่เคยเห็นเราเดินชนพระนิพพานทุกวันเราไม่เคยเห็นถ้าเกิจิตเรายังไม่มีคุณภาพพอจิตเรายังจมอยู่ในกองทุกข์คือจมอยู่ในกายจมอยู่ในความยึดถือกายยึดถือใจนี่เอง ถถอดถอนความยึดถือกายยึดถือใจได้เราจะสัมผัสสันิพันธ์นเต็มชั้นเต็มภูมิจะมีความสุขที่มหาศาลเรียกว่าสุขแทบตายเลยสัมผัสสนิพันธ์นเต็มชั้นเต็มภูมิครูบาอาจารย์บอกโอ้มันสุขนะสุขแทบตายเลยครูบาอาจารย์องค์หนึ่งเคยเล่าให้หลวงพ่อฟังหลวงปู่สุวัสด์เล่าตอนที่มันเป็นขึ้นมาแล้วนี่มันมีความสุขอยู่ตั้งปีกว่า หลังจนั้นเจตจีก็ค่อปอ็นอุเบกขาอยู่สบายร่มเย็นหนึ่งสุดแทบตายสุดแทบตายเพวกเราเคยได้ยินมในตำราชอบพูดกันนะบอกคารวาสบรรลุพระอรหันต์แล้วต้องตายเลยถ้าไม่ได้บวชเคยได้ยินไหม <c oughs> เคยได้ยินชื่อพาาาระนักขัตเซนกับพยามิรินไหมพยามิรินมีรันเดอร์เป็นกรีกคนกรีก เป็นนักปรัชญาเสียงเก่งไปถามพระนาารักขเสนพญามิรินไปถามพระนาารักขเสนว่าจริงหรือที่ว่าบรรลุพระอราหันต์แล้วไม่ได้บวชในวันนั้นจะตายเลยพระนาาเกขเสนบอกว่าจริงพญามิรินได้โอกาสรีบโจมตีเลยบอกถ้า่างนั้นอรหัน ต, ตมรรคก็คือฆาตกรแท้เลยทำให้คนตาย พระน า, าเสนบอกไม่ใช่นะอระหัตามรัคษนั้นวิเศษมากจนธาตุขันของมนุษย์น่นไม่พอที่จะรองรับธาตุขันของครรวาสเนี่ยรองรับไม่ไหวรองรับความสุขขนาดนั้นไม่ไหวจนไม่ได้ตายเลยคิดดูนะความสุขเราเคยได้ยินทุกจนตายใช่ไหมความสุขแทบตายก็มีนะแต่ว่าต้องภ า, าวนาพระเจ้าถึงสานบอกความสุข อะไรๆก็ไม่เท่าพานิพาน น, นิพานังปรมามังสุขขังนิพานมีจริงๆนิพานไม่ใช่อุดมปฏินิพานไม่ใช่นิยายหลอกเด็กถ้าพระพุทธเจ้าพูดกับว่านิพานแล้วก็ไม่บอกวิธีที่จะเข้าไปสู่พานิพานสัมผัสพานิพา น, นก็ยังว่าท่านหลอกได้นะแต่นี้ท่านบอกวิธีที่เราจะพัฒนาตัวเองจนเข้าถึงพานิพานได้แล้วพวกเรามีหน้าที่มาเรียนรู้ ว่าทำยังไงจิตใจของเราจะพัฒนาจนเข้าไปสัมผัสพระนิพพานได้ไม่ใช่เรื่องยากเกินไปเรื่องที่ถ้าเรียนแล้วก็ลงมือปฏิบัติให้สมควรแก่ทำเราก็จะมีโอกาสสัมผัสพระนิพพานเป็นลําดับลําดับไปสัมผัสครั้งแรกเป็นพระโสดาบันครั้งที่สองเป็นพระสัทถะขาครั้งที่สามเป็นพระนาคาครั้งที่สี่เรียกพระาอ ร, ราหันต์พระอรหันต์จะได้เปรียบ ระยะอื่นๆอยู่ตรงที่ท่านแค่มานาสิการแค่ะระลึกถึงนะอ น, นิพานนิพานก็ปรากฏต่อหน้าแล้วไม่หายไปไหนงั้นวันนี้เราจะมาคุยกันถึงวิธีปฏิบัติเพื่อยกระดับจิตใจนะให้สามารถเห็นอนิพานได้เอาไปเรื่องนี้จะได้มีความสุขเนาะอยจมแต่ความทุกข์เรื่อยๆไปเครียดไปเรื่อยๆอยู่ทางนี้บางคนก็ถาหน้าดีนะ มีความสุขวก็สุขชั่วคราวแหละสุขชั่วครั้งชั่วคราวเดี๋ยวก็แก่เดี๋ยวก็เจ็บเดี๋ยวก็ตายเดี๋ยวก็พลาดพลาบเจอคนที่รักเดี๋ยวก็เจอสิ่งที่ไม่รักอยากแล้วก็ไม่สมอยากอะไรเงี้ยก็มีความทุกข์บีบคั้นอยู่เรื่อยๆนี่เรามาหาชีวิตที่ดีที่สะอาดที่บริสุทธิ์หมดจดที่มีความสุขมากๆดีกว่าชีวิตทางโลกเราก็ทํามาหากินไปตามหน้าที่ก็ทํางาน เลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัวทำงานช่วยเหลือสังคมสิ่งเหล่านี้เป็นการทำเพื่อจะอยู่กับปัจจุบันเนี้สยส่วนการยกระดับจิตใจเนียเป็นงานที่แท้จริงของเราในสังสารวัตน์นี้เป็นงานจริงๆงานเลี้ยงตัวเองเลี้ยงอะไรอย่างนี้เป็นงานช่วครั้งชั่วคราวเฉพาะในชีวิตเดียวเท่านั้นเองหาเงินมาได้เยอะแยนะนก็ อ, อยู่ได้ในชีวิตนี้เท่านั้นเองเอาเงินไปไหนไม่ได้หรอก เรามารมมาสู่จิตสู่ใจนะรพัฒนาจิตใจขึ้นไปได้เรื่อยๆถ้าเคยภาวนา ม, มาแล้วจะรู้เลยว่าวัตฏะนี้หมุนเวียนไม่เลิกหรอกไม่ใช่ศูนย์ไปไหนหรอกหมุนไปเรื่อย<ม>การที่เราจะมายกระดับจิตใจตัวเองได้นะมันมีสิ่งที่ต้องพัฒนาอยู่สองอันนะการฝึกจิตมีสองเรื่องเรื่องที่หนึ่งการฝึกจิตให้สงบ ให้มีพลังเรียกว่าสมถกรรมฐานเรื่องที่สองการฝึกจิตให้ฉลาดมีปัญญาเห็นความจริงของกายของใจสมบูรณ์พอรู้ความจริงของกายของใจได้แล้วมันจะหมดความยึดถือในกายในใจจะสัมผัสพันิพานได้ดนั้นจะบรรลุพันธิพานได้ก็ต้องเจริญปัญญาเนี่ยมันมีงานสองงานทางใจงานของสมถกรรมฐานกับวิปัสสนากรรมฐาน ส่วนใหญ่ที่ฝึกผลกันนั้นเป็นเรื่องแค่สมถะธรรมธาตเกือบร้อยต่อร้อยของนับปฏิบัติติดอยู่แค่นี้เองไม่ขึ้นวิปัสสนาหรอกไปนั่งสมาธิกันเยอะแยะเลยเรียนมีดิเทชั่นนะนั่งสมาธินั่งให้สงบไปเดินจงกลมไปทําอะไรต่ออะไรมุ่งไปที่ความสงบมีวิธีการที่จะฝึกจิตฝึกใจให้สงบตั้งมากมายไก่กองเปิดสํานักสอนเปิดคอร์สเปิดอะไรนี่เยอะแยะไปหมดนะหาเงินได้เยอะแยะเลย แวิธีที่จะให้คนฝึกจิตใจให้สงบชั่วครั้งชั่วคราวแค่นั้นเราไม่ต้องไปเข้าคอสที่ไหนหรอกสลวงพอบอกวิธีให้บอกเคล็ดลับให้ง่ายอยจะตายไปสมาธิเราไม่ต้อไปเสียเงินเสียทองที่ไหนหรอกจิตเราที่มันไม่มีสมาธิไม่สงบนะเพราะมันฟุ้งซ่านถ้ามันไม่ฟุ้งซ่านมันก็สงบ่แค่นั้นเองไม่เห็นยากอะไรเลยนะ ทำไมมันฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านเป็นยังไงจิตฟุ้งซ่านก็คือจิตมันเนี่ยแฉลบออกไปวิ่งไปดูมันอยากดูนะมันวิ่งไปดูมันอยากฟังมันวิ่งไปฟังอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากมีรู้สิ่งที่มาสัมผัสทางกายอยากคิดอยากนึกอยากปรุงอยากแต่งทางใจกระทั้งอยากปฏิบัติธรรมจิตเนี้มันจะวิ่งพล่านพล่านออกไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจตลอดเวลานะ วิ่งหาอารมณ์นั่นเองทำไมต้องไปวิ่งหาอารมณ์ทางตาทำไมต้องอยากดูรูปสวยๆทำไมอยากได้กลิ่นหอมๆอยากได้รสอร่อยอยากได้สัมผัสที่อบอุ่นนุ่มนวลสบายอยากสนุกสนานทางใจอยากได้เสียงเคราะเสียงดีเสียงชมคิดว่าถ้าได้สิ่งเหล่านี้มาแล้วจะมีความสุขเราวิ่งไปดูหาของสวยของงามดูคิดว่าจะดูให้เห็นทุกข์เหรอ จริงๆดูก็เพื่อจะหาความสุขเท่านั้นเองวิ่งไปฟังนะฟังคอนเสิร์ตฟังอะไรก็วิ่งไปหาความสุขนั่นเองจิตมันไม่มีความสุขในตัวมันเองก็ต้องเที่ยววิ่งไปหาความสุขที่อื่นวิ่งไปทางตาวิ่งไปดูวิ่งไปฟังวิ่งไปกินวิ่งไปโนอนวิ่งไปนี่นะจิตใจก็วิ่งพล่านพล่านออกไปทางาวรนทั้งหคือทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจ การที่จิตมันวิ่งพลานออกไปทางโน้นทางนี้ตลอดเวลามันวิ่งหาความสุขแล้วมันไม่ได้จริงวิ่งไปดูหนังเรือว่ามีความสุขนะเดี๋ยวเดียวไม่มีสุขอีกแล้วต้องวิ่งไปอย่างอื่นต่อรานพลานเปลี่ยนอารมณ์ไปได้เราฉะนั้นถ้าเรารู้หลักตัวนี้แล้วมันไม่ยากอะไรที่จะทำความสงบขึ้นมาจิตเที่ยวหาความสุขถึงได้วิ่งพลานฟุ้งซ่านไปทางสวรรค์ทั้งห เร า, าหาอารมณ์ที่มีความสุขมาให้จิตซะเลยสิมันจะได้ไม่ต้องวิ่งไปหาที่อื่นเหมือนเด็กนะมันวิ่งไปสนนอกบ้านไม่ยอมกลับบ้านเราหาขนมอร่อยๆมาให้เด็กนะ ใ, ให้มันมานั่งกินขนมอยู่ในบ้านไม่หนีไปสนที่อื่นใช้หลักอันนี้เองง่ายๆนะหลักของสมถะกรรมฐานนะคือหาอารมณ์ที่มีความสุขมาเป็นเหยื่อล่อจิตไม่ให้จิตหนีไปเที่ยวหาความสุขที่อื่น อย่างบางคนทําอาหารอร่อยนะสามีชอบกินอาหารทําอาหารอร่อยสามีเมื่อไปไหนเลยคนโบราณบอกเสน่ห์ปลายจวักรู้จักจวักไหมคนรุ่นนี้ใครยังรู้จักจวักบ้างมีไหมยมม่อมเงินสิใครเคยเห็นแต่ใหญ่ไม่เคยเห็นแล้วนะเด็กๆไม่รู้จักจวักแล้วหาอารมที่ชอบใจมาให้จิตอยู่แล้วมาสํารวจตัวเองดู ในตำราเนี่ยพูดถึงสมถะกรรมฐานสี่สิบอย่างแต่จริงสี่สอย่างนี่เป็นแค่ตัวอย่างจะมีอย่างอื่นพิเศษเยอะแยะเลยสมถะกรรมฐานนี่จริงๆเป็นเรื่องง่ายอารมณ์ที่ใช้ทําสมถะกรรมฐานนะกว้างขวางที่สุดเลยใช้อารมณ์อารมณ์คําว่าอารมณ์เนี่ยหมายถึงสิ่งที่จิตจะไปเสพจิตสิ่งที่จิตจะไปรู้อารมณ์เนี่ยมีทั้งหมดสาแบบ อารมณ์ที่1เนี่ยคืออารมณ์เรื่องราวที่เราคิดนึกขึ้นมาเรียกว่าอารมณ์บัญญัติอารมณ์ที่สองเนี่ยคืออารมณ์ที่เป็นปรมัตนั่นเป็นของจริงคือรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายอารมณ์ที่สาเป็นอารมณ์นิพพานพวกเรายังไม่เห็นเนอกนิพพานมีอยู่แต่พวกเราไม่เห็นเพราะนั้นตัดอารมณ์นิพพานออกไปการทําสมถะสําหรับพวกเราเลยใช้อารมณ์บัญยัดกับอารมณ์รูปนามได้สองอย่าง แล้วเรามาสำรวจตัวเองใช้อารมณ์อะไรแล้วจิตใจมีความสุขเราก็ใช้อารมณ์อันั้นแต่มีเงื่อนไขว่าต้องเป็นอารมณ์ที่ไม่ยูกก่วยุกิเลสอย่างถ้าเล่นไพ่แล้วมีความสุขนะถามว่าเล่นไพ่แล้วมีสมาธิไหมขณะเล่นไพ่มีความสุขใช่ไหมมีความสุขเล่นไพ่ไปตำรวจมาไม่รู้เลย <c oughs> <c oughs> ไม่รู้เลยตำรวจมาส ก, กิดนะโอ้ลำคาญเลยจะจ่วอยู่แล้ว <c oughs> <c oughs> คือถ้าจิตมันมีความสุขอยู่ในอารมณ์ใดนะมันจะสงบอยู่ในอารมบนนะั้นเพราะเราเคอ่านหนังสือที่ชอบอกชอบใจไหมเวลาอ่านหนังสือเวลาอ่านหนังสือเล่มที่เราชอบนะอ่านได้ทั้งวันอ่านได้ทั้งคืนเลยนะจิตสงบเลยใครจะเรียกใครจะคุยอะไรไม่อยากยุ่งด้วยเลยอยากอยู่กับห น, นังสือเล่มเนี้ยเมื่อก่อนหลวงพ่อก่อนจะบวชนะอ่านเพชรพระอุามาใครเคยอ่านไหมยาวมากเลยนะยาวเดี๋ยวเสือมาเดี๋ยวช้างมาเดี๋ยวอะไร สนุกหนะ้านทั้งวันทั้งคืนก่อนหน้านั้นอ่านกําลังภายในใครรู้จักไหมหนังสือกําลังภายในอ่านได้ทั้งวันทั้งคืนนะมีสมาธิแต่สมาธิชนิดนี้ใช้ไม่ได้จริงรอ่ะเพราะจิตมันฟุ้งซ่านมันยั่วกิเลสง่ายอ่านไปถึงตอนนี้หมามันตื่นเตน้นใจก็ตื่นเต้นไปด้วยละมีความสุขจริงนะสงบอยู่ในอารมณ์เดียวจริงนะแต่มันมีอคูศนเจือ เดี๋ยวก็ตื่นเต้นเดี๋ยวก็รกักเดี๋ยวก็โกรธใจแฝงขึ้นแฝงลงอย่างเล่นไพ่มีความสุขจริงมีสมาธิจริงเดี๋ยวก็มีกิเลสละดีใจเดี๋ย <_ s 1> วก็เสียใจจิตมันแ่งแตฝ ง, ง, งมาดฉะนั้ น, นเราต้องเลือกอารมณ์ที่มีความสุขนะข้อหนึ่งข้อสองอารมณ์นั้นต้องไม่ยั่วกิเลสแต่ต้อเป็นอารมณ์ที่ไม่ยั่วกิเลสยกตัวอย่างอารมณ์ที่มีความสุขและไม่ยั่วกิเลสเช่นเราคิดถึงพระพุทธเจ้า พุโทโธพุธโทโธนะบริกรรมไปในใจนึกถึงพระพุทธเจ้าไปเรื่อยอันนี้เป็นอารมณ์บัญญัตินะเป็นการใช้ความคิดเราหรือบางคนประเภทเซ็กจัดอะไรอย่างเงี้ยนะพิจารณากายคิดพิจารณาร่างกายผมคนเล็บปันหนังเนื้อเอ็นกระดูกทีละส่วนทีละส่วนใช้ความคิดนี่เป็นอารมณ์บัญญัติแต่อารมณ์ปรมัติ์เช่นเรารู้ลมหายใจออกรู้ลมหายใจเข้าเห็นร่างกายหายใจอยู่นะ ลมหายใจเนีปป่ยเป็นรูปธรรมเป็นรูปธรรมไม่ใช่เรื่องที่คิดขึ้นทุกคนหายใจจริงๆไม่ใช่เรื่องความคิดหรือบางคนดูท้องฟองยุบเนื้อท้องมันมีจริงๆใช่ไหมเป็นวัตถุที่กระเพิ่มขึ้นกระเพิ่มลงดูอย่างนี้ก็ได้หรือเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนรู้สึกถึงร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนอยู่นี่สมถะทั้งหมดเลยนนี้สมถะด้วยการรู้รูปธรรม สมถะด้วยการรู้นามารำนะเช่นการเพ่งจิตของตัวเองเพ่งจิตหรือเพ่งความรู้สึกต่างๆเจอทั้งจิตมันนิ่งเนี่ยสมถะกรรมฐานเนี่ยจริงๆแล้วถ้ารู้จักเลือกอารมณ์นะอารมณ์นั้นต้องเป็นอารมณ์ที่เราชอบจิตมันชอบอยู่ด้วยแล้วมีความสุขจิตจะได้ไม่หนีไปที่อื่นข้อสองอารมณ์นั้นต้องไม่ยั่วกิเลสไงั้นเดี๋ยวจิตก็จะกระเพื่มเพราะกิเลสหีหลังอีก แล้เราถ้าจะฝึกสมถะน่ง่ายมากเลยอย่างหลวงพ่อตอนเด็กๆนี่ฝึกอานาปนาสติตั้งแต่เจ็ดขวบหายใจออกหายใจเข้าตอนเด็กๆมีบริกรรมด้วยหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรอะไรเนี้ยหายใจไปอย่างมีความสุขนะไม่บังคับจิตให้สงบไม่บังคับจิตให้นิ่งหายใจไปด้วยความรู้สึกสบายปลอดโลแป๊บเดียวก็สงบละแต่ถ้าเราไม่เป็นนะเราจะไปทำสมถะกรรมฐานนะ บังคับจิตให้นิ่งอยู่ในอารมณ์อันเดียวที่เราว่ามันดีสำหรับเราเนีย่ยคนไหนหายใจแล้วคิดว่าหายใจแลดีแล้วก็ไปบังคับจิตว่าจะต้องอยู่กับลมหายใจจิตไม่ชอบให้ใครบังคับนะถ้าเราบังคับจิตจิตจะไม่สงบแต่ถ้าเราให้จิตน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์ที่มีความสุขนะจิตจะสงบเองนี่ก็เป็นเคล็ดลับนะการทาสมถะแล้องทาอย่างมีความสุขมีความสบายใจ ถ้าทำแบบเครียดเครียดไม่ได้ผลหรอกถ้าเราหายใจด้วยความรู้สึกที่สบายปลอดโปร่งนะแปบ๊บเดียวก็สงบแนละ้วเคล็ดลับมันมีเท่า น, นี้แหละที่เหลือไปฝึกเราเองไม่เสียตังค์หรอกนะไม่ต้องไปเข้าคอร์สฝึกเมดิเตชันเสียตังค์เยอะแยะเลยนะของหมูหมูนะ <c oughs> ง่ายๆลองดนะูหายใจหายใจเป็นธรรมชาตินะอย่าไปหายใจแบบอย่างี้ อนี้โอเวอร์แอคชั่นหายใจเข้าไปอืดอัดนะเกินไปให้ใจสบายเราก็หายใจอยู่แล้วเนี่ยแค่รู้สึกหายใจไปแล้วจิตมันหนีไปคิดเรารู้หายใจไปจิตหนีไปคิดเรารู้นะแปบ๊บเดียวนั้นก็จิตมันก็อยู่กับลมหายใจสบายสงบนะแค่นี้ก็มีความสุขลนะแต่มีความสุขแค่นี้ไม่นิพพานหรอกแต่เดี๋ยวเดียวจิตหลุดจากลมหายใจเข้าไปฟุ้งซ่านใหม่ แล้วถ้าคนไหนประเภทบังคับจิตให้อยู่กับลมนะยิ่งบังคับนานพอเลิกบังคับนะมันจะร้ายกว่าเก่าอีกจิตไม่อยาคิดดอกเบี้ยจิตเหต็นไม่อยากคิดดอกเบี้ยนะเคยเห็นไหมพวกเข้าวัดพวกชอบเข้าวัดนั่งสมาธิบางทีร้ายอารมณ์ร้ายมากนะอเกล่าๆบทจะร้ายนี่ร้ายร้ายโคตรๆเลยเนี่ยจำนวนในกรุงเทพนะร้ายโคตรๆเลยพวกร้ายกาศมากเพราะมันเก็บกดตอนนั่งสมาธิ นั่งสมาธิอย่าเก็บปวดนะนั่งสบายมีความรู้สึกตัวไปสบายๆหาย ใ, ใจไปอย่างมีความสุขจิตนะสงบทันทีเลยมีเคล็ดลับนะแล้วทําไงเราจะมาเจริญวิปัสสนาได้นี่เรื่องของสมถานะสมถะไว้พักผ่อนเวลาจิตใจเราเหน็ดเหนื่อยห่อนล้าจากการทํางานเรากทําสมถะให้ได้พักผ่อนบ้างใจเราทํางานหนักทั้งวันคิดหนักทั้งวันฟุ้งซ่านทั้งวัน ทำสมาทานได้จิตใจได้พักผ่อนมันมีวิธีทําสมาทานที่ง่ายๆนะแบบในคลิปตาเดียวเอาไหมโอ้เวลาที่เราทํางานมากๆเครียดมากๆนะเราไม่รู้จะทำไงนะใจเราเกือบหมดเรื่ยวหมดแรงแล้วฟุ้งซ่านมากล้วเราหายใจลึกๆนะหายใจให้ยาวๆลึกๆไปแต่ไม่ต้องอัดเข้าไปจนอปอดปลีนะ <c oughs> <c oughs> หายใจพอดีพอดีแหละนะลึกหน่อย หายใจเข้าไปลึกๆนะแล้วกลั้นใจไว้ปับตานะกลั้นลมหายใจไว้ตอนที่กลั้นลมหายใจใหม่ๆนะฮะสังเกตดูที่ใจนะใจมันจะนิ่งๆจะสงบได้ชั่วขณะนึงนี่เป็นเคล็ดลับนะเมื่อก่อนหลวงพ่อเป็นโยมเป็นคราวาร่าสเนื่อนั่งประชุมนะบางทีเหนื่อยหน่วยคาเหนื่อยนะหายใจแล้วก็กลั้นลมไว้นิดนึงนะตรงที่เรากลั้นลมไว้เนี่ใจมันจะหยุดคิดชั่วคราว แต่พอหยุดคิดชั่วคราวตัวนี้เราก็ได้พักแล้วอย่าไม่ต้องทํานานนะทําก้านใจนานเดี๋ยวทรมานจิตแต่งอีกสมาธิตแต่งอีกนะอันนี้นิดหน่อยแค่นี้ก็ได้ความสงบนะเอาแรงไปทํางานได้อีกชั่วโมงหนึ่งดังนะัไม่ใช่ยากนะสมถะทําไปแล้วจิตใจสงบมีความสุขคราวนี้เราจะขึ้นวิปัสสนาจะมาฝึกจิตให้เกิดปัญญาเนะี่ย เป็นอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องใหญ่สมถานี่มีมาก่อนพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าก็เห็นว่ามีประโยชน์ถ้าทำแล้วจิตใจมีความสุขมีความสงบก็เป็นประโยชน์ท่านก็ยอมรับว่าเอามาใช้ได้แต่ว่าถ้าแค่สมถา้วก็ได้ความสุขได้ความสงบชั่วครั้งชั่วคราวไม่นานความสุขความสงบก็หายไปความดีก็ไม่ค่อยมีกลายเป็นอารมณ์ร้ายซะอีกอมาพัฒนา การพัฒนาจิตในขั้นอีกขั้นหนึ่งเรียกขั้นทำวิปัสนากรรมฐานการทําวิปัสนากรรมฐานเนี่ยคือการเรียนรู้ความจริงของกายของใจอย่าไปวาดภาพวิปัสนาเป็นเรื่องที่ลึกที่ลึกนะยากเย็นแสนเข็ญไม่ใช่อะไรเลยวิปัสนากรรมฐานเนี่ยเป็นแค่เรื่องการเรียนรู้ความจริงของกายของใจตัวเองเท่านั้นเองความจริงของกายของใจก็คือมันไม่เที่ยงนะมันเป็นทุกข์มันถูกบีบคั้นตลอดเวลา มันเป็นอนัตตากายนี้ไม่อยู่ในอำนาจของเราจริงจิตใจไม่อยู่ในอำนาจของเราจริงเรียนเพื่อให้จิตยอมรับความจริงว่ากายนี้ใจนี Shar, ้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็บังคับไม่ได้ไม่อยู่ในอำนาจอย่างร่างกายเราไม่เที่ยงเมื่อก่อนเด็กตอนนี้ไม่เด็กอะไรเนี้ยเมื่อก่อนแข็งแรงตอนนี้ไม่แข็งแรงอะไรเนี้ยมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันมีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลา แต่คนไม่มีปัญญามองไม่เห็นอย่างเรานั่งอยู่นี่รู้สึกไหมเดี๋ยวก็ปวดเดี๋ยวก็เมื่อยเดี๋ยวก็คันใครมานั่งนี่ยังไม่คันเลยมีไหมเห็น ไ, ไหมเราเก่าอัตโนมัติเวลาคันเนี่ยเน่มันทุกข์นะถึงต้องแก้ทุกข์ด้วยการเก่าเรารู้ไหมทำไมเราหายใจออกทำไมเราหายใจเข้าสลับกันไปเรื่อยเราหายใจก็แก้ทุกข์นะพวกเราเราหายใจเข้าไปเรื่อยๆสิแล้วดูสิจะสุขหรือจะทุกข์เราหายใจเข้าเรื่อยๆสิอย่าหยุดนะ ทุกไหมต้องรีหายใจออกเพื่อแก้ทุกข์ใช่ไหมหายใจออกไปเรื่อยๆสิทุกข์รูอสุกห่ะทุกอีกแล้วหายใจออกไปเรื่อยไม่ได้หายใจเข้าแล้ทุกอีกแล้วนะนั่นแค่หายใจนี่นะก็หายใจเพื่อหนีทุกข์นะเราไม่เคยรู้สึกทําไมเราต้องเปลี่ยนอิริยาบถทําไมต้องเปลี่ยนอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนเปลี่ยนไปเรื่อยเพก็เพื่อนหนีทุกข์นะนะนั้นความทุกข์นี่ยมันบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาะ แต่การเปลี่ยนอิเดียบทเปลี่ยนอะไรต่ออะไรไปเนี่ยมันทําให้เรากลบความทุกข์ไปเรามองไม่เห็นนะเนี่ยถ้าเราดูเป็ดเราจะเห็นมันทุกข์ร่างกายเป็นอนัตตาเป็นยังไงร่างกายเป็นวัตถุวัตถุมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกตลอดเวลา ห, หายใจเข้าหาย ใ, ใ, ใจออกนะ <_ H 1> เราบังคับไม่ได้เราสั่งไม่ได้จริง <_ H 1> สั่งไม่ให้แก่ก็ไม่ได้สั่งไม่ให้เจ็บสั่งไม่ให้ตายทําไม่ได้ทั้งสิ้นเลย มังคับมันไม่ได้สักอย่างสั่งให้นมตลอดสาวตลอดมันไม่เชื่อทำไม่ได้ร่างกายเป็นแค่วัตถุเท่านั้นเป็นก้อนธาตุมีธาตุไหลเข้าไหลออกตลอดเวลากินอาหารแล้วก็ขับถ่ายกินน้ำแล้วก็ขับถ่ายหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกธาตุมันหมุนเวียนอยู่เรื่อยๆเป็นแค่วัตถุเท่านั้นมารวมตัวกันชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็แตกสลายไปในที่สุด ยังไงก็แตกสลายออกไปในที่สุดไม่อยู่ในอำนาจบังคับที่แท้จริงต่างมันไม่ได้ไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายทำไม่ได้เนี่ยความจริงของกายก็คือไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาความจริงของจิตใจก็เป็นอนิจจังทุกขังเหมือนอนัตตาเหมือนกันมีจิตใจมีความสุขมันก็สุขชั่วคราว จ, รจิตใจมีความทุกข์มันก็ทุกข์ชั่วคราวมันไม่ได้เป็นได้ตลอด จิตใจดีก็ดีชั่วคราวจิตใจชั่วก็ชั่วชั่วคราวนะคนไหนเคยโกรธบ้างพวกเราคนไหนเคยโกรธยกมือสิโกรดนานที่สุดเท่าไหร่ใครเคยโกรธหนึ่งเดือนไหมมีไหมใครเคยโกรธหนึ่งอาทิตย์มีไหมเอาใครโกรธหนึ่งวันมีไหมพวกนี้ฟังมาแล้วล่ะ <laughs> เลยรู้คำตอบ ถ้าไม่เคยฟังธรรมนะ้วบางคนอย่างอกหักนะโกรธเป็นปีเลยใช่ไหมอ๋อเร่งมาไก่นะรู้เหรอแอบไปฟังซีดีมาก่อนเน <laughs> <c oughs> ีจิตใจที่มีความโกรธนะก็โกรธชัว่วคราวจิตใจที่โลภมันก็โลภชัว่วคราวนะจิตใจที่หลงมันก็หลงชัวง่วคลาวเป็นคราวๆโกรธเลยจิตใจที่สุขก็สุขชัว่วคราวจิตใจที่ทุกข์ก็ทุกข์ชัว่วคลาวนะี่มันไม่เที่ยง แล้วจิตใจมันเป็นทุกข์ยังไงอีกจิตใจมันถูกบีบคั้นตลอดถ้าเราภานาเป็นเราจะเห็นมือลึกลับอยู่อันนะมีมือลึกลับนะคอยขยําใจเราอยู่ตลอดเวลาเลยคอยบดคอยขยี้คอยบี้นะถ้าเราทําตามใจมันนะมันก็ค่อยๆทะนุถนอมนะถ้าเราไม่ทําตามใจนะไอ้มือลึกลับนี้จะขยําจิตใจเราให้เป็นทุกข์เลยมือลึกลับตัวนี้ชื่อว่าตันหา ถ้าตันหาคือความอยากนะสังเกตดูให้เดือใจเรามีความอยากตลอดเวลาเลยแค่อยากมาวัดนี้ก็อยากแล้วเห็นมมาแล้วตัวแค่หลวงพ่อหนีกลับไปก่อนหรือยังเนี่ยเนี่ยแล้วตมาถามหลวงตาว่าหลวงพ่อมาแน่ไม่แน่อย่างนี้อยากมาฟังแค่อยากฟังธรรมนะก็รุ้ใจได้นะอยากกินอยากนอนนะอยากดูอยากได้ยินเสียงอยากได้กลิ่น ใจเรามีความอยากนานาชนิดเนะี่ยหมุนอยู่ตลอดเวลาเลยทั้งวันทั้งคืนใจเนี่ยถูกบีบคั้นด้วยตัณหาตลอดเวลาเลยหาความสุขไม่ได้เลยนะของถูกบีบคั้นหรืออย่างตัวความสุขเกิดขึ้นนะตัวความสุขเองก็ถูกบีบคั้นบีบคั้นจากอะไรจากเหตุปัใจจัยที่ให้เกิดความสุขความทุกข์ก็ถูกบีบคั้นนะความสุขความทุกข์กุศลอกุศลทั้งหลายที่เกิดขึ้นในจิตใจเราเนี่ยมีเหตุให้เกิดทั้งสิน้น อย่างความโกรธเนี่ยก็มีเหตุของความโกรธอันแรกเลยเราต้องไปกระทบอารมณ์ที่ไม่ชอบใจใชเช่นไปเห็นคนที่เราเกลียดมันเดินมาหาเราแล้วไอ้คนที่เราเกลียดเนี่ยเป็นอารมณ์ที่ไม่ชอบอันที่สองเรามีอนุสัยเรมีความเคยชินที่จะไม่ชอบไอ้นี่อันที่สเราไปตรึกเราไปคิดในทางไม่ดีเรียกว่าพยาบาทพิตกถ้าองค์ประกอบมันครบนะความโกรธมันถึงจะเกิด อยเห็นเขาเดินมานะนเป็นคนที่เราเกลียดแท้ๆเลยเราก็เคยเกลียดมันด้วยนะแต่เราไม่ได้คิดอะไรตอนนั้นเราไม่ได้คิดอะไรคิดเรื่องอื่นอยู่ไม่โกรธออกความโกรธก็มีเหตุให้เกิดน่เหตุของความโกรธเนี่ยมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเช่นไอ้คนนี้ที่เราเกลียดมันเดินมาแล้วมันก็เดินไปเหตุนี้มันเปลี่ยนละความโกรธที่เกิดขึ้นในจิตเราก็หายไม่ใช่เพราะกูเก่งนะแต่เพราะเหตุมันดับนะ หรือเราไม่ได้คิดในทางร้ายมันก็ไม่โกรธที่แรกคิดในทางร้ายอยู่เราก็นึกขึ้นได้ว่าหลวงพ่อประโมทบอกโกรธให้ดูจิตตัวเองย้อนมาดูจิตตัวเองไม่ได้ดูเอ็กนที่ทําให้เราโกรธความโกรธก็ดับไม่ได้ตรึกในอารมณ์ที่โกรธนละตัวความโกรธเองก็ถูกบีบคั้นนะเพราะเหตุของความโกรธนี่ยเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตัวความโลภความหลงความสุขความทุกข์ทั้งหลายนก็ถูกบีบคั้นเพราะเหตุของมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา นี่เราค่อยภานานะัเราจะเห็นเลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างในจิตใจเรานี่ถูกบีบคั้นหมดเลยตัวจิตเราก็ถูกบีบคั้นอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับจิตก็ถูกบีบคั้นค่อยๆรู้ค่อยๆดูไปจิตใจเป็นอนัตตาสั่งไม่ได้สั่งไม่ได้ ส, ไไดสั่งให้สุขมันก็ไม่ฟังนะมันไม่ค่อยจะสุขห้ามทุกข์มันก็ไม่ฟังมันจะทุกข์สั่งให้ดีมันก็ไม่ยอมดีนะห้ามชั่วมันก็จะชั่วอย่างบางคนตั้งใจว่า เราจะต่อไปนี้เราจะถือศีลห้าอะไรเงี้ยใครเคยตั้งใจอย่างนี้บ้างยกมือสิถือรอดไหม <c oughs> มันเป็นอนัตตาเนะ <c oughs> าะเนาะโทษอนัตตาไว้ไอเราแหละดี <c oughs> แต่ว่าจิตมันเป็นอนัตตาจิตมันไม่ดีเรื่องของมันเราดีไว้ก่อน <c oughs> จิตมันห้ามไม่ได้นะอย่างวันนี้ตั้งใจจะภาวนาสามชั่วโมง พอลงมือนั่งแป๊บเดียวเขดูนาฬิกาเมื่อไหร่จะหมดสามชั่วโมงละที <c oughs> นี่ความเพียนความวิริยะใช่ไหมตั้งใจไว้อย่างนี้นะไม่สําเร็จมันบังคับใจไม่ได้เราไม่ได้ฝึกบังคับเลยนะแต่เราฝึกรู้ทันให้เห็นเลจิตใจเราไม่เที่ยงจิตใจเป็นทุกข์จิตใจเป็นอนัตตาการทํำวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยคือการเรียนรู้ความจริงของกายการเรียนรู้ความจริงของจิตใจ <c oughs> เรียนรู้ให้เห็นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาของกายของใจ ถ้าเรารู้ความจริงนะจะเบื่อกายนี้น่าเบื่อจิตใจนี้น่าเบื่อเพราะมันของแปรปรวนตลอดเวลาพอเบื่อไหนจะคลายกำหนัดคลความรักใคร่ยึดถือร่างกายนี้เคยหวงแหนที่สุดจิตใจนี้เรารักตัวเองที่สุดพอภาวนาเห็นความจริงครับจะคลายความยึดถือในกายในใจได้ทั้งหมดความยึดถือเราจะสัมผัสพระนิพพานนั่นเรามันต้องมาดูความจริงของกายของใจให้ได้ถ้าไม่ดูความจริงของกายของใจไม่มีโอกาสสัมผัสพระนิพพานเลย เขาเห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงนะถึงจะเบื่อหน่ายแลเบื่อหน่ายจึงคลายกำหนัดคือใครความรักใคร่ ย, ยึดถือแล้วคลายกำหนัดจึงหลุดพ้นหลุดพ้นจากความยึดถือกายยึดถือใจก็จะสัมผัสพระนิพพานเต็มขั้นเต็มภูมินะมีความสุขที่สุดเลยแต่ทํายังไงจะเห็นตามความเป็นจริงได้เนี่ยปัญหาใหญ่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่คนคนหนึ่งจะเห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงได้ตัวนี้ต้องเรียนให้ดีนะเนี่ยเป็นศาสตร์ที่สําคัญของพระพุทธเจ้าเลย เราจะเห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงได้เราต้องพัฒนาเครื่องมือสองอย่างตัวหนึ่งคือสติตัวที่สองคือสมาธิสติเป็นตัวระลึกได้เมื่อเช้านะก่อนหลวงพ่อเทศตะคุณหมอคงศักดิ์ก็พูดถึงสติว่ามาจากกิรสาสัญญาการที่จิตจำสภาวะได้แม่นแล้วพูดภาษาแขกแบบนี้สำเนินแข่งี้คนไทยรุ่นเราฟังไม่รู้เรื่องเอางนะ่าย ขั้นแรกเลยเราหาอารมณ์กรรมฐานมาสักอย่างหนึ่งใครจะอยู่กับพุทโธก็อยู่กับพุทโธไปใครอยู่กับลมหายใจก็อยู่กับลมหายใจไปนะค่อยๆฝึกก่อนนะแล้วต่อไปถ้าอย่างเราพุทโธพุทโธพุทโธอยู่นะล้วจิตเราหนีไปจิตมนันหนีไปปุ๊บเรารู้ทันหนะนีไปคิดในะส่วนใจหรือรู้ลมหายใจอยู่จิตไหลแวบไปเรารู้ทันนะตรงที่เรารู้ทันนี่มันจะได้สมาธิขึ้นมา จิตมันชอบไหลออกไปทันทีที่เรารู้ทันว่ามันไหลนะเราจะได้สมาธิขึ้นมานี้ถ้าเรารู้ทันบ่อยๆเห็นจิตไหลบ่อยๆนะจิตมันจําสภาวะของการเคลื่อนไปได้แม่นยำโดยที่มันทุกทีที่เคลื่อนน้าจะรู้สึกตัวอย่างรวดเร็วเลยตรงที่มันรู้สึกตัวได้รวดเร็วนี่เรียกว่ามีสตินะเพราะฉะนั้นถ้าเราเล่นทางลัดนะได้ทั้งสติได้ทั้งสมาธิเลยหากรรมฐานนันย์มาเป็นเครื่องอยู่ของจิต คนไหนเคยพุทโธก็บริกรรมพุทโธไปคนไหนเคยรู้ลมหายใจก็รู้ลมหายใจไปคนไหนเคยดูท้องฟองยุบก็ดูไปแต่ไม่ได้ดูเพื่อให้จิตจะสงบอยู่กับพุทโธไม่ได้ดูให้จิตสงบอยู่กับลมหายใจไม่ได้ดูให้จิตจะสงบอยู่ที่ท้องนะแต่ดูเพื่อจะคอยรู้ทันจิตเวลามันแสงแสฝงหนีไปเช็นพุทโธพุทโธมันหนีไปคิดรู้ทันหายใจอยู่มันหนีไปคิดรู้ทันดูท้องฟองยุบมันหนีไปคิดรู้ทัน แต่อย่างรู้ลมหายใจรู้ท้องฟองยุบนะบางทีมันไปเพ่งอยู่ที่ลมก็ได้จิตไหลไปคิดรู้ทันจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจรู้ทันจิตนี้ไปคิดรู้ทันจิตไหลไปอยู่ที่ท้องฟองยุบรู้ทันการที่รู้ทันจิตที่เคลื่อนไปบ่อยๆนะต่อไปจิตมันจะจําอาการที่จิตเคลื่อนได้พอจิตเคลื่อนเรารู้ทันจิตเคลื่อนรู้ทันแล้วต่อไปพอจิตเคลื่อนปั๊บเนี่ยสติจะเกิดเองมันจะรู้ขึ้นมาทันทีแล้วว่าเฮ้ยเคลื่อนไปแล้วสติจะเกิดอัตโนมัติขึ้นมา และตรงที่รู้ทันว่าจิตเคลื่อนไปเนี่ยจะได้สมาธิขึ้นมาโดยอัตโนมัติด้วยเพราะสมาธิมันตรงข้ามกับความฟุ้งซ่านของจิตนะจิตไหลไปเรารู้ปุ๊บเราจะตั้งสมาธิมันก็ตั้งขึ้นมาแต่สมาธิชนิดนี้เป็นสมาธิที่อัศ จ, จรรย์ที่สุดเป็นสมาธิที่ไม่เหมือนการทําสมาถะกรรมฐานสมถะกรรมฐานเนี่ยเช่นเราพุทโธเราหายใจในจิตเลยวิดเกาะนิ่งอยู่กับลมหายใจนะไปจับอยู่ที่ตัวอารมณ์ส่วนสมาธิชนิดนี้เนี่ย เป็นความตั้งมั่นของจิตดังนั้นสมาธิมี2แบบใหญ่ๆสมาธิแบบที่1จิตไหลไปรวมอยู่ในอารมณ์เดียวอย่างต่อเนื่องอันนี้จะได้ความสุขได้ความสงบสมาธิชนิดที่สองคือจิตตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นคนดูนะเป็นคนดูจิตถอนตัวออกจากโลกของความคิดมาอยู่ในโลกของความรู้สึกตัวบางทีหลวงพ่อเรียกว่าจิตตื่นใครเคยฟังซีดีได้ยินคำว่าจิตตื่นใช่ไหมจิตตั้งมั่น อันเดียวกันทั้งหมดเลยจิตตั้งมั่นจิตรู้เนื้อรู้ตัวรู้ตัวเป็นแล้วอะไรเนี้ยที่หลวงพ่อใช้คํำหลายอย่างแต่คนแต่ละคนบางทีใช้คําคนละอย่างเข้าถึงเข้าใจอาการของมันก็คือจิตมันถอนตัวออกจากโลกของความคิดมาอยู่ในโลกของความรู้สึกตัวเพราะฉะ <so. S 1> นั้นพอจิตถอนตัวออกมาจากโลกของความคิดมาอยู่ในความรู้สึกตัวได้มันจะรู้สึกกายรู้สึกใจได้ถ้าเมื่อไร่เราหลงไปอยู่ในโลกของความคิดนะเรามีร่างกายเราจะลืมร่างกาย เรามีจิตใจเราจะเลืมจิตใจเราไม่สามารถรู้กายรู้ใจตัวเองได้เฉะนั้นเราคนส่วนใหญ่เนี่ยที่ว่าทำวิปัสนาวิปัสนาันไม่ได้ทําจริงหรอกนะอยากไปดูท้องพองยุบจิติดนิ่งอยู่ที่ท้องอันนี้สมถตาแท้ๆเลยไปเดินโจงกรมยกเท้ายั่งเท้าจิตไหลไปอยู่ที่เท้าอันนี้สมถตากรรมฐานไม่ใช่วิปัสนาเลยนะจิตไม่ได้ตั้งมั่นแต่จิตไหลไปแล้วเฉะนั้นถ้าเรารู้ทันจิตที่เคลื่อนไปจิตที่เคลื่อนไปนะจิตมันจะตั้งมั่นขึ้นมายกตัวอย่างเลย ให้ดูอะไรดีดูรูปพระบาทเนะ้ะเห็นมีช่องเล็กๆไหมในรอยพระบาทมีรูปเล็กๆ ๆ, ๆอยู่เยอะเลยลองดูซิมีรูปทั้งหมดกี่รูปรูปเล็กๆเนี่ยเนี่ยผ้าแดงๆนะเห็นรูปเล็กๆไหมสังเกตไหมขนาดที่เราตั้งใจดูเนาะนะจิตเราไปอยู่ที่ผ้านั้นใช่ไหเรามีร่างกายเราลืมลนะ เรามีจิตใจเราลืมแล้วรู้สึกไหมเราลืมตัวเราเองแล้วเราเห็นแต่ผ้านั้น mm hmm. เห็นแต่รอยพระบาทแต่เราลืมตัวเราเองเนี่อจิตที่มันส่งออกไปนะจิตที่มันส่งออกไปจิตที่มันเคลื่อนไปจิตที่มันฟุ้งไปมันลืมตัวเองมันไม่ตั้งมั่นงั้นเมื่ อ, อไหร่จิตไม่ตั้งมั่นเราจะลืมกายลืมใจลืมตัวเองแล้วเวลาที่เราเอรู้จักเอไหมภาษาฝรั่งเรียกอะไร mm hmm. เรียกอะไรดีเะ เออหลวงพไม่รู้จักหรอกเวลาจิตมันมันเผลอไปนะมีร่างกายเราก็ลืมมีจิตใจเราก็ลืมเพราะั้นจิตที่มันไหลไปจิตที่ไม่ตั้งมั่นเนี่ยทำให้เราไม่สามารถรู้กายรู้ใจได้เมื่อเราไม่สามารถรู้กายรู้ใจได้การที่จะเห็นกายเห็นใจเป็นใจลักษเป็นไปไม่ได้เลยเพราะนั้นการที่ใจอยู่กับเนื้อกับตัวนียถึงจะเห็นกายเห็นใจเป็นใรลักได้ ถ้าจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวไหลไปอยู่ในโลกของความคิดไม่สามารถเห็นกายเห็นใจตัวเองได้นะเฉะนั้นตัวนี้สำคัญน ะ, เ ร, ะเราต้องฝึกให้ดีเมื่อสัก30ปีก่อนหลวงพ่อตะเวนไปตามวัดตามสามนักปฏิบัติอะไรนี้เยอะมากเลยที่ไหนมีชื่อเสียงก็ไปดูไปเรียนนะเจอครูบาอาจารย์มากมายครูบาอาจารย์ที่ดีๆก็มีเยอะนะสมัยก่อนเดี๋ยวนี้หายากมากเลยแทบจะขาดแคลนแล้วนะ เขไปตะเวนไปตะเวน ไ, ไปแล้วก็พบความจริงข้อหนึ่งว่าคนส่วนใหญ่จะไม่มีสมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูไอสมาธิชนิดที่จิตไปสงบอยู่ในรมเดียวเนี่ยไปที่ไหนก็เจอแต่ทั้งสำนักที่แขฝงป้ายคาว่าวิปัสสนานะจริงๆทําสมถะเพราะเอาแต่เพ่งเอาไปดูท้องก็เพ่งท้องไปดูเท้าก็เพ่งเท้าไปดูลมหายใจก็เพ่งลมหายใจไม่ใช่วิปัสสนาหรอกจิตเคลื่อนไปจิตไม่ตั้งมั่นนะมีอยู่คราวน่ะไปโดนดีเข้าอยากฟังไหม อยากให้รู้ว่าหยาบแต่นั้นไปไปที่วัดกรรมฐ า, านแห่งหนึ่งนะครูบาอาจารย์ท่านดีเลิศเลยวัดหินมะเป้งที่วัดหินมะเป้งเนี่ยตอนกลางคืนเนี่ยคนจะไปภาวนาในโบสถ์เยอะมากเลยนั่งสมาธิในโบสถ์นะถ้าโบสถ์ไม่พอนั่งแลมานั่งกันรอบๆบโบสถ์อีกที่เดินจงกรงก็เยอะมากเลย พอตกขํขามหลวงพ่อเขาไปกับเขาบ้างเขาไปเร า, าก็ต้องไปสิใช่ไหมเดี๋ยวเขาว่าเราเป็นนอนอยู่ในกุฏิจริ ง, รงเราภาวนานในกุฏิเราหัดนะไปที่โบสถ์ไปดูอี่มีแต่คนนั่งสมาธิสมา ธ, มาธิมีสองขัวพวกนึงนั่งเคร่งเครียดนั่งเคร่งเครียดนะอีกพวกหนึ่งนั่งสงบ พวกเดินจงกรมก็แบบเดียวกันคล้ายๆกันนะพวกหนึ่งเดินเคร่งเครียดอย่านัโอ้ยเครียดจะตายส่วนอีกพวกหนึ่งเดินนะใจใจหนีไปที่อื่นเลยลืมกายลืมใจในใจมันก็หนีนทางเขานะเนี่ยความร้ายนะเนี่ยเป็นกิเลสชื่วามานะเทียบเขาเทียบเราดูแล้วเฮ้ยภาวนาไม่เป็นเลยวาที่นี่ไม่มีใครภาวนาเลยมีแต่นั่งไม่เพ่งก็เผลอ ในใจก็นดินทาเขาอย่างนี้นะที่นี่ไม่มีใครหอนหมาทั้งๆ ท, ที่เขาก็นั่งสมาธิเดินจงกรมกันนะหลายชั่วโมงด้วยใจก็ไปว่าเขาไม่ได้ภาว น, นาแต่ตอนเช้าเนี่ยตามคุณป้าคนหนึ่งเอาดอกไม้เอาของกินเล็กๆน้อยๆอย่ะนะเครื่องรงนกเครื่องอถวายหลวงปู่พร้วท่านชดามากแล้วเราก็ตามเขาไปด้วย เขาขอเขาถวายดอกไม้ถวายอะไรนะหลวงปู่ก็หันมายิ้มหลวงปู่เทศี่ยิ้มตลอดเลยน่ารักมากท่านก็หันมายิ้มกับหลวงพ่อนะว่าวัดนี้เขาไม่ภาวนากันแล้วแหละเราเือเจอดีเขาแล้วหัวไปดูคนอื่นนะไปดูตัวเองเทียบเขาเทียบเรากิเลสตัวเองท่วมหัวนะไม่เห็นนะไปดูว่าเขาภาวนาไม่เป็น เนี่ยครูบาอาจารย์แต่ก่อนนะเวลาสอนเนี่ยนะสอนนิ่มนิ่มนะเรียกเชื่อนิ่มนิมจำช่วงชีวิตเลยนะเนี่ยส่วนใหญ่นะคนไม่ได้ทำสมาธิที่ถูกต้องถ้าไปทำสมาธิถ้าไม่เผลอเลื่อนลอยฟุ้งซ่านไปนะก็ไปเคร่งเครียดอยู่จิตไปเคร่งเครียดอยู่ถ้าทำสมาทาไม่เผลอไม่เครียดเลยนะจิตรวมไปสบายๆก็ไม่เดินปัญญานพะเหมือนต้องทำสมาธิที่ถูกต้องคือจิตตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ วิธีที่จิตจะตั้งมั่นเป็นผู้รู้คือรู้ทันตอนที่จิตมันไหลไปนี้แหละะถ้าเรารู้ทันบ่อยๆนะพอมันเพื่อนคลิกก็รู้ทันนี่เรียกว่าเรามีสติอัตโนมัติละพอรู้ทันมีสติอัตโนมัติปุ๊บสมาธิอัตโนมัติก็ตั้งขึ้นมาเองรู้สึกตัวขึ้นมาจิตตื่นใครเคยได้ยินชื่อหลวงพ่อเทียนไหมหลวงพ่อเทียนนะอยู่วัดสนามในต่ก่อนอีกองชื่อหลวงปู่ทูบอยู่วัดแคร่หนังเรืองมีทั้งทูบทั้งเทียนะ หลวงพ่อเทียนท่านสอนดีนะท่านบอกว่าถ้ารู้ว่าจิตคิดจะได้ต้นทางของการปฏิบัติพูดได้เจ๋งมากเลยยอดเยี่ยมมากเลยงั้นการที่เราหัดบริกรรมพุทโธ ร, รู้ลมหายใจรู้ท้องเองยุบนะแล้วจิตหนีไปคิดเราคอยรู้เนี่ยมันจะได้ต้นทางสองการปฏิบัติคือได้จิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาได้ความรู้สึกตัวขึ้นมาเมื่อได้ความรู้สึกตัวขึ้นมานี้แล้วเราจะใต้สมาธิได้สติน มีทั้งสติคือถ้าใจไหลคลิกเดียวก็รู้ทนันนี่เริ่มมีสติพอรู้ทนันปุ๊บได้สมาธิได้ความตั้งมั่นขึ้นเป็นหนึ่งอยู่ได้แล้วอย่าหยุดอยู่แค่นี้นี่เพิ่งได้เครื่องมือเพิ่งได้ต้นทางการปฏิบัติยังไม่ได้ทําวิปัสนาเลยงั้นหลายคนชอบสอนกันมั่วซั่วนะเพรารู้สึกตัวแค่รู้สึกตัวก็พอแล้วแค่รู้สึกตัวก็พอแล้วพออะไรอะ่ะยังไม่ได้เริ่มเดินปัญญาเลยนะคิดว่าแค่รู้สึกตัวก็เป็นพระอราหารนะันต์แล้วยังไม่เป็นหรอกยังไม่ได้สตาร์ท เดินปัญญาเลยสักนิดเดียวนะวิธีเดินปัญญาก็คือเราใช้จิตที่ตั้งมั่นรู้สึกตัวอยู่เนี่ยนะกสติเป็นเครื่องมืออะไรเกิดขึ้นในร่างกายมีสติระลึกรู้รู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นเช่นะร่างกายหายใจออกเราเห็นร่างกายมันหายใจจิตเราตั้งมั่นเป็นแค่คนดูเราจะรู้สึ ก, กทันทีว่าร่างกายที่หายใจอยู่เนี่ยไม่ใช่ตัวเร า, นะาเราจะเห็นร่างกายหายใจเหมือนเห็นคนอื่นหายใจนะมันไม่ใช่ตัวเราเหรอก จะเห็นว่าเป็นแค่วัตถุเป็นก้อนธาตุมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกไม่เห็นอนัพตาของกายนะเข้ารู้เข้าดูไปด้วยหรือร่างกายนะนั่งอยู่มีความทุกข์เกิดขึ้นในกายเช่นนั่งแล้วเมื่อยสติระลึกรู้ใจเป็นคนดูอยู่ต่างหากใจตั้งมั่นอยู่ต่างหากมันจะเห็นเลยว่าร่างกายก็อยู่ส่วนหนึ่งความปวดความมื่อยอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่อีกส่วนหนึ่งไม่เกี่ยวกันนะ ร่างกายก็ไม่ใช่เราความปวดความเมื่อยก็ไม่ใช่เราจิต ท, ที่เป็นคนไปรู้ก็ไม่ใช่เราเนะนี่ยการที่จะเห็นไตรลักษณ์ได้ไม่ใช่เรื่องที่คิดเอานะถ้าคิดเอาไม่ใช่วิปัสนาวิปัสนาแปลว่าการเห็นตามความเป็นจริงนะปัตตนาคือการเห็นไม่ใช่วิตกวิโตคือการตรึกการคิดนะั้นหลายคนไปเข้าใจผิดอย่างคิดพิจารณาร่างกายเป็นปฏิปุระสุภาษอะไรนี้ไม่ใช่วิปัสนาแน่นอนเลยนะ เพราะว่ายัเป็นการคิดอยู่มีปรั ส, สนานั้นเลยการคิดไปแล้วเป็นการรู้เป็นการเห็นตามความเป็นจริง <Yeah. S 1> งั้นอย่าถ้าเราใจเราตั้งมั่นอยู่เนี่ยมีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นในร่างกายเช่นร่างกายหายใจสติะระลึกรู้ทันความเคลื่อนไหวนั้นจิตตั้งมั่นเป็นคนดูจะเห็นว่าร่างกายที่หายใจอยู่ไม่ใช่ตัวเรานะ ถ้าร่างกายยืนเดินนั่งนอนอยู่สติระลึกรู้การเปลี่ยนอิทธิบทไปจิตตั้งมั่นเป็นคนดูก็จะเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราจิตที่เป็นคนดูก็ไม่ใช่ตัวเราะ อ, อย่างนี้ถือจะเรียกว่าเราจเจริญวิปั ส, สนาจริงๆจเจริญปัญญาจริงๆนะมันจะถอนความเห็นผิดวิปัสนาเนี่ยทำหน้าที่ถอดถอนความเห็นผิดความเห็นผิดอันแรกเลยก็คือเห็นว่ากายเป็นเราจิตใจนี้เป็นตัวเรานีิหัรมาดูจิตใจบ้างนะ เราจะเห็นว่าจิตใจเดี๋ยวก็สุขเ e ดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายนะสติความสุขเกิดขึ้นสติระลึกรู้ตอนนี้มีความสุข <S <S จิตตั้งมั่นเป็นคนดูก็จะเห็นว่าความสุขกับจิตนั้นเป็นคนล่านกันถ้าจิตไม่ตั้งมั่นนะจิตจะไหลไปรวมเข้ากับความสุขไม่สามารถเห็นได้ว่าความสุขกับจิตเป็นคนล่านกันมันจะกลายเป็นเราสุขขึ้นมาแต่ถ้าจิตตั้งมั่นแล้วความสุขเกิดขึ้นสติระลึกรู้ปั๊บนะ จิตตั past, way, ้งมั่นอยู่ต่างหากเนี่ยเป็นคนดูอยู่เนี่ยมันจะมีความรู้สึกขึ้นมาทันทีเลยว่าความสุขกับจิตนั้นเป็นคนละอันกันนะความสุขไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาจิตที่เป็นธรรมชาติรู้อารมณ์ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขามันจะเห็นอย่างนี้เลยนะความทุกข์เกิดขึ้นสติระลึกรู้ปั๊บเห็นว่ามีความทุกข์เกิดขึ้นจิตตั้งมั่นเป็นคนดูมันจะไม่ใช่เราทุกข์นะ ความทุกข์เป็นแค่สภาวะธรรมที่จิตจะรู้เข้าความทุกข์ไม่ใช่เราจิตที่เป็นคนไปรู้ก็เป็นแค่สภาวะธรรมอีกงานหนึ่งไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเหมือนกันเพราะฉะนั้นการหัดดูเนี่ยหัดดูไปเรื่อยแต่มันมีความแตกต่างระหว่างการดูกายกับการดูจิตอยู่นิดหน่อยเวลาดูกายเนี่ยเราดูลงปัจจุบันขณะะเช่นเรากําลังเคลื่อนมือมือกําลังเคลื่อนไหวเนี่ยจะเลื่อนมือไปเกาแล้วสติะระลึกเห็นรูปมันเคลื่อนไหวนะ ใจเป็นคนดูนี่เรารู้รูปที่กำลังเคลื่อนไหวอยู่ในขณะนี้สดๆร้อนๆเลยเป็นปัจจุบันขณะเลยนี่รูปกำลังเคลื่อนไหวอยู่ใจเราก็รู้อยู่ได้ใจไปรู้รูปที่กำลังเคลื่อนไหวได้แต่การรู้จิตเนี่ยจะต้องรู้ตามหลังเช่นจิตมีความโกรธความโกรธเกิดขึ้นก่อนสติถึงะระลึกได้ว่าโกรธพอสติะระลึกได้ว่าโกรธเนี่ยจิตตั้งมั่นขึ้นมาเห็นว่าความโกรธนั้นดับไปแล้ว ความโกรธนั้นดับไปตั้งแต่สติเกิดเพราะฉะนั้นมันแค่เห็นหางของความโกรธไหวๆ ไ, ไปเท่านั้นเองนะจะไม่เห็นตัวความโกรธจังๆหรอกถ้าสติที่แท้จริงเกิดเพาสติกับกิเลสจะเกิดร่วมกันไม่ได้เด็ดขาดเลยเนะมื่อไรมีกิเลสเมื่อนั้นจิตเป็นอกุศลเมื่อไรมีสติเมื่อนั้นจิตเป็นกุศลจิตที่เป็นกุศสกับจิตที่เป็นอกุศลไม่เกิดในเวลาเดียวกันฉนะนะนั้นการดูจิตนี่จะดูตามหลังนะเพนะนะรัเคล็ดลับในการดูจิตอย่าไปจ้อง ถ้าจ้องเราจะไม่มีอะไรให้ดูนะต้องปล่อยให้ตาหูจมูกลิ้นกาใจกระทบอารมณ์ไปตามธรรมชาติธรรมดาพอกระทบอารมณ์แล้วมันเกิดสุขก็คอ่อยรู้ขึ้นมาว่าอ๋อสุขขึ้นมาแล้วเกิดทุกข์ก็ค่อยรู้ว่าทุกข์ขึ้นมาแล้วเกิดกุศลเกิดโลภโกรธหลงค่อยรู้ขึ้นมาว่ามีกุศลมีโลภโกรธหลงเกิดขึ้นนะมันจะเป็นการดูแบบตามหลังกันติดๆเช่นความโกรธมาแล้วความโกรธมาสติระลึกปับ๊บความโกรธหายไปแล้ว จิตเราตั้งมั่นขึ้นมามันจะรู้เลยว่าจิตตะกี้โกรธแต่จิตตอนนี้ไม่โกรธแล้วจะเห็นอย่างนี้นะงั้นบางคนบอกดูไม่ทันสักทีจิตมีความโกรธดูไม่ทันสักทีมันหายไปกอดก็ถูกแล้วที่ต้องหายถ้ามันไม่หายสติไม่เกิดะงั้นดูกายเนี่ยดูลงปัจจุบันขณะนะดูจิตเป็นปัจจุบันสันติคือสืบเนื่องกับปัจจุบันถ้าเมื่อวานโกรธวันนี้รู้ไม่เป็นปัจจุบันสันติแล้วเห็นไหม ไม่มีสันตติแล้วนั่นเป็นอดีตไปหมดแล้วใช้ไม่ได้นะการที่เราหัดรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงเรื่อยๆไปนะรู้ที่แรกยังไม่เป็นกลางเช่นเห็นความสุขเกิดขึ้นมันพอใจเห็นความทุกข์เกิดขึ้นมันไม่พอใจนะเห็นปู่สนเกิดขึ้นมันพอใจเห็นอาปู่สนเกิดขึ้นไม่พอใจให้เรารู้ทันจิตที่พอใจไม่พอใจอีกชั้นหนึ่งนะแต่ว่าอย่าจงใจนะเช่นตามองเห็นคนนี้เดินมาล้ เกลียดมันรีบมาดูทุพอใจหรือไม่พอใจนะไอ้ <c oughs> อย่างนี้ไม่ได้นะไม่ได้กินหรอกเพราะย้อนจงใจมาดูแนละมันหายไปหมดแล้วไม่มีอะไรให้ดูนะมันไวมากนะเวลาดูจิตเนี่ยถ้าจงใจดูหรือจะว่างๆไปเลยไม่มีอะไรงั้นบางคนไปดูจิตนะกลายเป็นหลงดูความว่างตัวนี้ต้องระวังมากๆเลยนะดูจิตแล้วก็ว่างว่างว่าโอ้กูเป็นพระอรหันต์แล้วว่ามึงไม่ได้เป็นกูเป็น โอ้พี่มึงมีกูอยู่อย่างเงี้ยนะก็ยังนึกว่าบัดรู้แล้วไม่เป็นหรอกเนะ่งั้นดูจิตอย่าไปจ้องมันนะจ้องไปดักดูไปจ้องดูไปรอดูจะไม่มีอะไรให้ดูนอกจากว่างๆพอว่างๆนะจิตก็พอใจมีความสุขทั้งวันนะโอลาลาไปเรนะื่อยนะไม่ได้กินหรอก <c oughs> ไม่มีใจรักให้ดูแล้งั้นเวลาจะดูจิตอย่าไปดักดูนะดูกายเนี่ยรู้สึกไปได้เลยรู้สึกได้ทันทีเลย แต่ดูจิตเนี่ยให้ความรู้สึกเกิดแล้วค่อยรู้เอานะก็จะเห็นความรู้สึกก็ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งแต่จิตต้องตั้งมั่นนะพอไหวไหมถ้าไม่เคยฟังหัวข้อมาก่อนนะมันจำไม่หมดหรอกเพราะว่าเป็นศาสตร์ที่ละเอียดประณีตมากแต่มีซีดีแจกไหมคุณหมอมีนะมีซีดีมีหนสือไปฟังนะให้โอกาสแก่ชีวิตตัวเองบ้างถ้าเมื่อไรจิตเห็นความจริงได้นะ เราก็ใช้หลักนี้นะวิปัสสนาเนี่ยมีสติรู้รูปนามรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงอย่าเข้าไปแทรกแซงเขาให้รู้อย่างที่เขาเป็นมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นจิตที่ไม่ได้ไหลไปจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูและเป็นกลางจาได้ไหมมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางนะคาว่าด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางเนี่ยใสวงเล็บไม่ได้ เป็นการขยายความหลักของพิปัสนาแท้ๆก็แค่มีสติรู้รูปนามตามความเป็นจริงแต่เราจะรู้รูปนามตามความเป็นจริงได้ต้องรู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางถ้าจิตไม่ตั้งมั่นและเป็นกลางจะรู้รูปนามตามความเป็นจริงไม่ได้จิตจะเข้าไปคลุกไปรวมเป็นเนื้อเดียวกับรูปนามนั้นเป็นการไปเกาะเกี่ยวเป็นการไปเพ่งรูปนามใช้ไม่ได้นะถ้าเพ่งรูปเพ่งนามเป็นอะไร เป็นสมถะรรมฐานนะอย่านึกว่ารู้รูปนามแล้วเป็นวิปัสสนานะต้องเห็นไตรลักษ์ของรูปนามถึงจะเป็นวิปัสสนาเรียนต้องเรียนให้ละเอียด น, นะบางคนมั่วซั่ว อ, อย่างดูท้องฟองยุบเนี่ยเป็นวิปัสสนาเป็นอะไรไปเพ่งท้องอยู่เป็นสมถะแท้ๆนะต้องเห็นไตรลักษณ์นะไม่เชื่อถามหลวงตาถามพระเนี่ยพระวัดนี้นักธรรมเอกเะนะอันนี้อยู่ในหลักสูตรนักธรรมเอกไม่รู้ท่านลืมกันหมดยัง ฝึกนะฝึกให้ได้จิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางขึ้มาจิต ท, ที่ตั้งมั่นได้มาด้วยวิธีไรรู้ทันจิตที่ไหลไป mm. <_ ij ing> จิตจิตที่เป็นกลางได้มาเพราะรู้ทันจิตที่ไม่เป็นกลาง mm. สติที่เป็นตัวรู้ทนันความเปลี่ยนแปลงของกายของใจได้มาเพราะอะไร mm. เพราะหัดรู้บ่อยๆ mm. อะไรแปลกปลอมเข้ามาในกายรู้สึกอ mm. ะไรแปลกปลอมเข้ามาในใจคอรู้สึกเช่นจิตไหลไปแล้วรู้จิตไหลไปแล้วรู้เนี่ย จิตจำสภาวะที่ไหลได้แม่นนะพอไหลปุ๊บรู้ปับนะ๊บเลยคนไหนที่โมโหก็รู้ทันจิตที่โกรธนะเห็นกว่าจิตที่โกรธบ่อยๆนะพอจิตโกรธปับ๊บสติจะระลึกเองเลยความโกรธกระเดนหายไปเลยเนะนี่ยหลักของมันง่ายๆนะไม่ยากหรอกฝึกไปนะเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ปีถ้าบารมีเราพอนะเราก็จะได้ธรรมะเป็นขั้นๆไปเบื้องต้นได้ดวงตาเห็นธรรมครวาตมีโอกาส โสดาสัตาคาเนี่ยไม่ยากเกินไปสําหรับฆราวาสนะแต่ถึงขัน้นพระนาคาเนี่ยยากมากเลยสําหรับฆราวาสเพราะฆราวาสเนี่ยจมอยู่ในกามกามไม่ใช่เซ็กอย่างเดียวนะกามเป็นหมายถึงเลิดเพลินพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสพวกนี้หรือบางทีก็เป็นกามธรรมคือคิดถึงรูปคิดถึงเสียงคิดถึงกลิ่นคิดถึงรสคิดถึงสัมผัสคราวาสเนี่ยไม่เห็นโทษของกาม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 ท่านบอกว่ามีวันหนึ่งไปบินธบาต์นะไปเห็นคนเขากินข้าวเหนียวถั่วดารู้จักไหมข้าวเหนียวถั่วดาเห็นแล้วอยากกินอยา ก, กินนะก็ไม่มีใครใส่บาตรให้กินก็ฝันไว้นะรอคอยว่าวันหนึ่งจะมีคนเอาเข้าวเหนียวถั่วดำมาใส่บาตรวันหนึ่งก็เห็นจริงๆเวลาพระกรรมฐานบินธบาตจะเดินตามเงินไปนะเขาก็ใส่ใส่ใส่ใส่นะ พอจะมาถึงท่านนั้นหมดล้วเป็นองค์แรกที่อดเนอะพระกรรมฐ า, านเนี่ยเวลาไปบินธบารดมานะจะเอาอาหารมาเทรวมกันนะแล้วก็แบ่งกันปรากฏว่าพระที่อยู่หัวแถวเนี่ยเก็บข้าวเหนียวตัวดำเป็นหมดทุกวันเลยมันไม่ถึงท่านสักวันเดียวนะหลายวันเข้านั้นท่านบอกไปอยู่คืนนอนอยู่คืนแนละ้วคิดถึงข้าวเหนียวตัวดำแล้วร้องไห้ คนะิดสงสารตัวเองนะอานาถตัวเองตอนนั้นห่อหนึ่งไม่กี่บาทหรอกนะว่าโอ้โหเราลูกมีพ่อมีแม่นะทำไมเราแค่ข้าวเหนียวตัวดำเนี่ยแค่นี้เองไม่กี่สตังค์เนี่ยนะไม่ได้กินสงสารตัวเองนะอานาถตัวเองร้องไห้นี่เห็นโทษไหมจิตใจมีความอยากนะอยากในรสของขนมเนี้ยนะมันไม่ได้สนองความอยากแต่ครวาเหลืออยากกินข้าวเหนียวตัวดา สักหนึ่งถุง ก, ก็ไปซื้อมาปีบหนึ่งนะนนกินจนกระทัาา่งบรรลุเยาวไรอยากอะไรก็สนองตลอดเวลาไม่เห็นทุกข์เห็นโทษหรอกเวลาท่านเลยเรียกอารมณ์ใ้รูปเสียงกลิ่นรสอะไรพวกนี้ท่านเลยเรู้ว่ากามาคุณวิ่งไปหาไปเสพไปสนองไม่เคยเห็นทุกข์เห็นโทษเลยในขณะที่นักบวชนะเห็นทุกข์เห็นโทษทุกครั้งที่กามเกิดขึ้ น, นมีแต่ทุกข์มีแต่โทษทั้งสิ้นเลย เพราะฉะั้นจะเห็นโทษเห็นภัยของกามได้ง่ายกว่าคาวาสนะแต่ว่าพวกเรายังไม่ถึงขั้นจะขึ้นผ้า น, นาคาขั้นโสดาสกตาคาเนี่ยเป็นคาวาสทําได้นะไม่ยากนักนะแต่ขั้นผ้านาคานี่ยากแล้วเพราะจิตของเราชุ่มอยู่ในกามจิตของเราไม่เห็นทุกข์เห็นโทษของกามไม่เหมือนนักบวชนะบวชถ้ากามเกิดในแท่หัวชนปฝาเลยทรมานจะเห็นว่าโอ้โหร้ายจริงๆกิเลสนี้เป็นของเลวร้ายจริงๆริ นี่ของเราก็ฝึกไปนะแค่ถือสีหะนะถือศีหะไว้ไม่ต้องอดเข้า เ, เย็นแต่กินให้เป็นเวลาลแล้วก็มาฝึกจิตฝึกใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวอย่าใจลอ ย, ลยแล้วก็คอยรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงของกายคอยรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงของใจไปด้วยฝึกไปเรื่อยไม่นานถ้าทําสม่ําเสมอนะใช้เวลาไม่มากแล้วก็ ก็คงได้ธรรมะบ้างแหละเวลาได้ธรรมะอย่านึกเอาเองว่าตอนนี้ได้แล้วนะมันมีวิธีของจิตที่จะเกิดมากเกิดผลมีวิธีของจิตโดยเฉพาะนะมีลักษณะเฉพาะของจิตเวลาที่จะเกิดอริยมรรยาผลนะไม่ใช่ภาวนาเา่าวันนี้พอละแค่นี้แหละบรรลุแล้วนึกเอาเองหรือภาวนาไปจิตรวมหูสว่างว่างเอาละบรรลุแล้ว ม, มั่วนะมันไม่เข้าวิถีของมรรคของผลนะวิถีจิต ท, ที่จะเกิดระยะมรรคหรือผลมันมีจิตมันตัดสังโยช์ตัดกิเลสมีกระบวนการของมันมีลีลาแห่งการตัดแต่บรามีสาวเอฟเฟกด้วยมีป้าผ่าแผ่นดินไว้เทวดาอนุโมทนาโลกธาตุสะเทือนอะไรย นั้นเป็นอาการของจิตที่จิตไปรู้เข้าขอไหมวันนี้ขอแล้วนะเหตุเยอะไปก็จำไม่ได้อยู่แนละ้วอา้าวใครตอบได้บ้างว่าอะไรเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติทำมันยังไงแล้วสติเกิดบ่อยการเห็นสภาวะบ่อยๆนั่นแหละทำให้สติเกิดขึ้น แต่เราเห็นความโกรธบ่อยๆต่อไปพอความโกรธเกิดขึ้นสติก็เกิดมันจําได้อะไรทําให้จิตตั้งมั่นรู้ทันจิตที่ไหลไปคิดจิตที่ไหลไปมันไม่ได้แค่ไหลไปคิดน้ําไหลไปดูนะไหลไปดูไหลไปฟังไหลไปดมกลิ่นไหลไปลิ้มรสถ้าจิตไหลแล้วรู้ทันนะอย่างดูท้องพองยุบจิตไหลไปอยู่ที่ท้อง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 ถ้าไม่มีสมาธิขึ้นไม่มีจิตตั้งมั่นเป็นกลางไม่มีปัญญา จ, จริงหลักต้องแม่นนะเมื่อหลักแม่นแล้วเลยข้อเดียวทําให้สมควรจะทําไม่ใช่เจ็ดวันปฏิบัติหนึ่งครั้งครั้งละห้านาทีแล้วก็นับมาแล้วเจ็ดปีแล้วทําไมไม่บรรลุสักที <laughs> อันนั้นเวื่อไปหน่อยละ <laughs> ปฏิบัติทําสมควรกจะทำคือปฏิบัติตลอดเวลา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 แต่ถ้าเจริญไม่ไหวจิตฟุ้งซ่านก็ทำความสงบจิตมีเรี่ยวมีแรงแล้วมันเจริญปัญญาต่ออย่าสงบอย่างเดียวนะหรืออย่ารู้ตัวอยู่เฉยๆฉยรู้ตัวเฉยอยู่ไม่ได้เรื่องหรอกกนะ็ได้แค่นั้นเองไม่ให้เกิดปัญญาพอไหวไหมเดี๋ยวคุณหมออัดเทปไว้ใช่ไหมเรค่อยไปขอจากคุณหมอนะฟังเที่ยวเดียวไม่ได้ผลหรอกต้องฟังหลายหลที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 เนี่เด็กมันเรียนธรรมะโดยที่เป็นธรรมชาติที่สุดเลยนะเหมือนเด็กเรียนภาษากับพวกเราเรียนภาษาไม่เหมือนกันนึกออกไหมเด็กมันเรียนภาษาเป็นธรรมชาตินะมันเข้าถึงได้ลึกซึ้งเลยส่วนเรามานั่งท่องนะเทนมีกี่เทนส์ในท่องกันแทบตายเด็กมันฟังมันพูดมันอไร้ถึงเวลาพูดได้เลยเราคิดหนักคิดหน้าคิดหลังกรรมฐานก็เหมือนกันเด็กมันฟังซีดีหลวงพ่อนะมันพาวนาเป็นเยอะแยะเลย ไอ้ผู้ใหญ่ก็ฟังเราต้อคิดเอาหลวงพ่อบอกให้มีสติรู้กายรู้ใงสติทำไงรู้ยังตอนนี้รู้ยังเนี้ยจะไปถามใครดีว่าตอนนี้รู้ถูกหรือยังคิดมากคิดมากยากหนาน <c oughs> ใครเคยสงสัยว่าตอนนี้ปฏิบัติอย่างนี้ถูกหรือยังใครสงสัยเคยสงสัยบ้างยกมือซิ <c oughs> โอ้เก่งที่ยกมือพวกที่ไม่ยกมือก็เก่งเหมือนกัน <c oughs> มีใครเคยศึเคยตื่นนอนขึ้นมาก็คิดว่าเอ๊ะจะปฏิบัติยังไงดีวันนี้นี่ไห ม, มคิดว่าจะทํำยังไงดีอทําอะไรก็ผิดหมดเลยแต่ไม่ทําผิดมากกว่าแล้วท <c oughs> ําทอะไรมันก็ทํามันไม่ใช่รู้แค<ม>่เห็นกายมันทําเห็นใจมันทําถึงจะเรียกว่ารู้นะ<ม>อ่ะท่านี้ก่อนก็แล้วกันหลวงพ่อคิดว่าในนี้จะมีนาดิ ก, กาอ้อมอยู่นี่ เทศไต่าตามเท่าไหร่เราก็ไม่รู้เ้าสมกันบ้างตามสมควรนะอย่่เยอะนะักหนูพ่อก็ไม่ไหวเหมือนกันเนี่ยเเทศมาวันนี้วันที่หกต่อๆกันละบางวันหลายรอบด้วยข้อแรกคือเมื่อคืนมีบทเรียนมาตอนทีสองตีสาม เป็นลักษณะที่บอกว่าให้ดูคล้ายๆกับความสัมพันธ์ระหว่างเรากับสภาวะธรรมต่างๆก็ไม่ว่าจะเป็นกายจิตหรือว่าเซโนไบหรืออะไ ร, ห, รหลายๆ ห, ห, ห, หลายอย่างก็คือดูของตัวเองเสร็จแล้วก็ให้ไปดูของหลวงพ่อบ้างของผู้บ้างเพื่อเทียบว่าเนี่ยยังไกลขนาดไหนเราหยิบเราหดตัวขนาดไหน แต่ที่สังเกตเห็นคือที่หนูทำมันจะเป็นลักษณะมันมีกรรมกรรมไว้กับปล่อยใช่ไหมคะแต่ของหนูปล่อยเนี่ยจะไม่เหมือนหลวงพ่อกับหลวงปู่ปล่อยหลว ง, ลงพ่อหลวงปู่จะมีสภาวะทำอะไรไม่รู้อีกอย่างหนึ่งออกไปอยู่ตลอดเวลา <c oughs> ที่นี่เนยเจอพวกปะดูจิตหลวงพ่ออีกคนแล้วคือต้องอาศัยครูบาอาจารย์นามั น, นหนูกลัวผิดทางคือหนูต้องระวังนะ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 อย่าอย่าทิ้งหลักนี้นะไม่ไม่ทิ้งค่ะ เ, ออเพราะว่าคราวที่แล้วเมื่อสองปีก่อนที่หนูไปหาหลวงพ่อที่วัดหนูขอกันบ้านหลวงนี่มาจากชีก้ข้อโต้ใช่ค่ะคน<อ>นั้นแหละค่ะได้แล้วักตรง น, น, นี้เลยคือคราวที่แล้วที่สลงข้อสอนนะคะที่หลวงพ่อกรุณาทําไม่ได้เล่าว่าทำเดี๋ยวถ้าหนูพูดผิดจะโดนหลวงพ่อว่าอีกเดี๋ยวก่อน อาผิดก็ไม่ว่าไม่ไม่ยกเว้นให้ที <c oughs> ่ขออนุ ญ, ญาตให้หลวงพ่อแสดงสภาวธรรมเพราะว่าเรียนรู้โดยสภาวธรรมโดยตรงแล้วหลวงพ่อทําสภาวธรรมที่บริสุทธิ์ให้ดูอยู่แวบหนึ่งก็พัฒนากันมาทั้งกลุ่มค่ะไม่ใช่ไม่ใช่สำหรับหนูคนเดียวก็ได้มาถึงจุดนี้แล้วเพราะฉะนั้นครั้งนี้ก็คือแบบคราวที่แล้วแวบเดียวค่ะคราวนี้ขอครึ่งนาทีก็ยังดีค่ะขอรับเข้าสู่ใจตรงๆเลยจะได้ไปเรียนต่อไม่เห็นเอง อ, ะอ่ะมันมีความแตกต่างพัฒนาได้เยอ่ะค่ะ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 ถามไม่ยากนะคำตอบ<ข>อยากขอกราบอขออนุญาตคเนกกะหลวงพ่อหลวงปู่แล้วขอเรียนไปตลอดทางไปเรื่อยๆแล้วกันค่ะคือขออนุญาตได้เลยแล้วกันค่ะ อ, อีเพราะว่ารู้ว่าหลวง พ, พ่อตอบตรงๆไม่ได้ <c oughs> ถ้าเมื่อก่อนอาจจะตอบนะอย่าง น, นี้ตอบไม่ได้คนมันหาเรื่องเยอะแต่หนูชีคาโก้ดีขึ้นเยอะเลยนะ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 สติมาทันทีนะแล้วตามหลักความเป็นจริงแล้วเมื่อเหตุดับโกรธจะหายไปนะทแต่ในประสบการณ์เนี่ยเราเพบว่าบางครั้งเนี่ยสติมาก็จริงแต่ยังอยากจะโกรธอีกสักนิดหรือว่ามีอารมณ์อื่นๆก็เป็นแบบนี้แต่ไม่ทุกครั้งนะฮะอยากจะทราบคำถามก็คือว่าสติตัวที่มาเนี่ยเป็นสัมมาสติ หรือว่าไม่ใช่สมมาสติหรือว่าปฏิบัติผิดอะไรสักอย่างคือสภาวะทั้งหลายเนี่ยมันจะเกิดหรือมันจะดับเนี่ยเพราะเหตุของมันไม่ใช่เพราะเราไปแทรกแซงบังคับได้เนาะสติมีหน้าที่จับนะปัญญามีหน้าที่ตัดแล้วสติระลึก ป, ปั๊บเนี่ยถ้าปัญญาแท้ๆเกิดนี้ขาดจะบ้านเลยนะนี่ปัญญามาจากสมาธิความตั้งมั่นของจิต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 เหมือนเหรอเหมือนตอนนี้ตลอดเลยเหร อ, อ, อคลายครับคลายตอนนี้แน่นไห ม, ไมไตอนนี้อันนี้ปกติเลยเหร อ, อ, อคิดว่าเป็นปกติต้องค่อยค่อยคลายออกนะถ้าอยานนแสดงว่าติดเพ่งติดเพ่งเอาไว้ติดเพ่ ง, ต, พ ง, ต, พงติดจ้องต้องปล่อยให้จิตเคลื่อนไหวไปตามธรรมชาติธรรมดาได้ แล้วก็แค่มีสติสักวาระลึกเท่านั้นถ้าเราประคับประคองไว้ได้ทั้งวันนะเดี๋ยวเทียบให้ดูเนี่ยมันนิ่งกว่าความเป็นจริงอยู่นิดหนึ่งแต่ตอนนี้ต้องคลายออกนะมันถึงจะเดินต่อแต่ถ้าเราไปรวบไปตลาดวันคล้ายๆนักมวยจะตั้งกาดไว้อย่างนี้ทั้งวันเลยนะมีแข็งไปมันจะแน่น ต้องคลายออกนะจิตจะเบิกบานจิตจะมีความสุขขึ้นนะเฮ้คนนี้เพิ่งถามหยกๆยกเอาย่อๆนะหนูหนี่ถามยาวสามข้อนะคะ<อ>ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติของโยม เ, <อ>เองนะฮะแนวทางคือจากที่จดหมายที่โยมเขียนส่งหลวงพ่อเนี่ยนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมัน โยมจะอ่านจากซีดีจะฟังจากซีดีแล้วก็จะมานั่งคบคิดหรือว่าเรียนรู้ด้วยตัวเองอเพราะนั้นโยมจะไม่ไม่ไม่มีโอกาสได้ถามนะฮะโยมจะรู้ได้ยังไงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอันนั้นคืนนิมิตหรือว่ามันคือของจริงคือไม่ว่าของจริงหรือของเกินนะไม่มีนัยยะไม่ว่าอะไรปรากฏเนี่ยให้รู้ทันจิตไว้แค่นั้นพอละ ยกตัวอย่างเห็นเราตวเรานั่งสมาธิอยู่นะถ้เาเห็นเทวดามาเยอะเลยมานั่งไหว้นะเราไม่ต้องสนใจเลยว่าเทวดาจริงหรือเทวดาปลอมเราให้รู้ทันที่จิตของเราเลยถ้าเห็นเทวดามาแล้วจิตเกิดสงสัยว่านี่คืออะไรของจริงหรือปลอมรู้ว่ากํลาลังสงสัยอยู่ถ้าเกิดอิ่มโมหิมใจกูเกง่งเทวดามาหาอนะไรนีรู้ทันว่ากําลังอิ่มโมหิมใจอยู่งั้นจะเป็นนิมิตจริงหรือนิมิตปลอมไม่มีนัยยะอะไร ให้รู้ทันจิตไหมนั้นอย่างเห็นเป็นแสงสีเขียวปีกแมงคับแสงเปลี่ยนเป็นสีแดงสีอะไรมันคืออะไรนะรู้ว่ากําลังสงสัยอยู่มันไม่มีในัยยะอะไรทั้งสิ้นเลยให้รู้ทันจิตไหมคำของโยมเนี่ยคะถ้าโยมอย่างเมื่อเช้าเมื่อคือนนี้ทอหลวงพ่อบอกว่าให้โยมดูที่ความฟุ้งซ่านของโยมเมื่อเช้าอย่างโยมอาบน้ํา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 แล้วมันจะไปได้แล้วก็ข้อสามในเรื่องการปฏิบัติเนี่ยฮะถ้าโยมเนี่ยโยมก็คงต้องอยู่คนเดียวแล้วก็ฟังไปเรื่อยๆทีนี้นอกจากความคิดฟุ้งซ่านแล้วเนี่ยจุดอ่อนของตัวโยมเองนี่มีอะไรอีกฮะที่โย ม, ยมต้องคอยระวังความอยากนะความอยากนะ อ, อรู้ตัวทีนะตัวนี้ปรักดันแรงมากเลยค่ะไม่ว่าจะอยาก อะไรเนี่ยตวัวนั้นคือตัวมันจริ ง, จ, รงจังไปหมดเลยนะ<ช>มันจะทำให้อืดตัดม<ะ>ันจะทำให้แน่นอืถูกสิถ้าไม่ปฏิบัติไม่ถูกหรอก <S <S เห็นกิเลสไหม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 ไอ้น claro ั <sw at PC> Ari, ่นจงใจดูมากไปถ้าไปจงใจจ้องมินจะแน่นขึ้นมาให้ดูสบายๆบะอ้ะไอ้อนั้นรุนแรงไปและเนอดูเล่นๆเออดูเฉยๆนะอย่าไปอินกับมันเก่งนะเห็นไหวๆขึ้นกล้างอกเล ที่แหละเหมาะมแล้วดูจิตแล้วเหมาะแล้วเหมาะหล้คะลงเห็นไหวๆไวไกลาง อ, อกได้ไม่ธรรมดานะเวลาภาวนาถึงขั้นละเอียดจริงๆเหลือแต่ความไหวยิบยับอยู่กลางอกเท่านั้นเองคือโยมมีอาชีพที่แบบว่าเลกากวกการ่เนแล้วทเราิดรเัะเจริญเจริญเมตตาเยอะๆนะ แล้วแผ่เมตตาแผ่พลังที่ร่มเย็นใส่ตรงที่ปวดไปฮะอะไรนะจิตหยิบช่วยจิตจิตปล่อยวางจิตอะไรคะอ๋อต้องเห็นเอาเองนะทุกวันนี้เราหยิบช่วยจิไตไว้เท่านั้นแหละแต่เรายังไม่เคยปล่อยตื่นขึ้นมาก็หยิบจิตขึ้นมาแล้วก็ปล่อยเห็นไหมตอนนั้นนะ่ะตอนตื่น เวลาคิดถึงการปฏิบัตินะก็ไปตะครุบจิตขึ้นมาดูนะแต่นะ่นไปหยิบฉวยขึ้นมาแล้วท้ายนี้ขอปฏิบัติบูบชาพระพุทธเจ้าท้าพุทธเจ้าเอพระธรรมและวาสังแล้วก็ปฏิบัติวิชาหลวงพ่อด้วยนะคะสาธุชอบมากเลยต้องอย่าลืมพระพุทธเจ้านะมาย่องย่องอาจารย์เกิดพุทธเจ้าไม่ได้กราบนมันสการหลวงพ่อครับ คือผมพอจะรู้เนืรู้ตัวบ้างแต่ว่าเจริญปัญญาไม่ไม่เป็นครับคือกายกับใจเคยแยกกันไหมเคยเห็นอาทิตย์ที่ผ่านมานี่เห็นความทุกข์แล้วก็เห็นว่ามันความทุกข์กับเราเป็นคน ล, ล, ละส่วนวนั่นแหละมันแยกแล้วครับถ้าอย่างนั้นก็แยกได้ละ ว, ลวเวลาเวลานี้อย่าเพิ่งถ่ายรูปเลยนะมันควรสมาธิสมาธิญาติโ ย, ยมอนะ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 แล้วถ้ามันเคลื่อนไปจากตัวนั้นรู้ทันก็ใช้ได้แล้วล่ะที่มันต้องมีที่อยู่เพราะว่าไม่งั้นจะหนีนานหลงยาวเป็นวันครับขอบคุณครับที่ฝึก อ, อยู่ดีนะไปฝึก อ, อีกจิตไม่เข้าฐานตอนนี้ไม่ถึงฐานแต่ว่าบางครั้งคิดว่ามันน่าจะถึงแต่ว่าใช่ถ้าจิตไม่ถึงฐานเนี่ยมันจะแยกรูปนามต่างๆไม่ออกของคุณมันแยกได้แล้วครับขอบคุณครับ ใครจิตออกนอกบ้างทั้งห้องแหละกราบน้ำรสการพระคุณเจ้าจ้าค่ะ mm hmm. อืมดิฉันได้ฟังเทปของพาจารย์มาเป็นเวลาหลายปีแล้วแต่พระระยะหลังๆนี่ก็เริ่มปฏิบัติค่ะตอน mm hmm. เช้าจะพยายามนั่งสมาธิ mm hmm. ก็มีสติบ้างในตอนเช้าแต่ก็ไม่ไม่คงทนเท่าไหร่โยมอยากจะถามว่าเมื่อเพื่อโยมนั่งปฏิบัติเสร็จแล้ว โยมก็จ ะ, ะจะอัลลาธนาไม่สามีเขาสอนแผ่ส่วนบุญก็ดีนะค่ะจะถามว่าการแผ่ส่วนบุญนี้คือโยมจะแผ่ไปทั่วคือตั้งแต่เจ้ากรรมนายเวรคือทำคำไหนที่จะให้มีมีคุณภาพรรที่สุดคือว่าโยมนี้เพิ่งจะมี โรคประจําตัวขึ้นมาค่ะก็จะแผ่ไปบอกว่าขอให้ออกจากร่างกายนี้ไปแล้วทุกครั้งที่ทําบุญก็จะแผ่ให้ อ, อย่างนี้จะได้ผลไหมคะทําไปด้วยนะอย่างน้อยก็สบายใจมีโรค ก, ก็รักษาไปค่ะขอให้ออกนะอคือพระหลวงพ่อแนะนำให้ได้ไหมคะมคือเป็นโรคหรือไม่เป็นโรคนะมันเป็นวิบากเป็นผลของกรรมกรรมภาพันธะุค่ะกรรมาพันธุนะพียงแต่ว่าการที่เราเจริญ เมตตาแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลอะไรเงี้ยิใจเราร่มเย็นเป็นสุขใจเราได้สมาธินะะโรคภัยบางอย่างเนี่ยพอจิตมีสมาธิมันก็หายได้คหรืออย่างการที่เราคอยแผ่ส่วนบุญไปใจเราสบายไม่มีเวรมีกรรมกับใครจิตใจสงบเบิกบานะก็เป็นบุญบุญอาจจะช่วยเราก็ได้ทำแล้วจิตใจดีขึ้นค่ะคือเราได้แผ่เมตตาให้เขาแล้วด <cat> <Than> ีแผ <scientist, S 1> ่ท er, <in and> <lim> ั้งวันเลยจะได้นะะสาธุแผ่ไปเรื่อย ะขพอบคุณจังที่นี่ไม่เหมือนที่อื่นเนาะที่นี่ถามเยอะที่อื่นถามสองสามคนสี่คนข่าวนมัส ก, การหลวงพ่อค่ะเ อ, อครั้งที่แล้วส่งกันบ้านเดือนตุลาปีที่แล้วที่เมืองไทยค่ะหลังจากกลับมาก็หลวงพ่อก็นะแนะนําว่าให้กันบ้านไว้ก็คือให้ดูจิตที่ไหลไปเพราะว่าโยมมีโมหะแล้วก็หลาาักค่ะแล้วก็คือ รักกายของตัวเองมาก hmm. อลัจะกลับมาจากเมืองไทยเนี่ยชีวิตยากลำบากมากขึ้นหมายถึงว่าในความยากลำบากตรงนั้นเนี่ยยงกลับรู้สึกว่าเราสามารถคือจิตสามารถที่จะอดทนแล้วก็ตอบความทุกข์ได้มากขึ้นนะคะแล้วก็ทิ้งคำถามไว้คราวที่แล้วก็คือว่ายงไม่สามารถที่จะทำสมาธิได้ เพราะว่าจิตไม่เอาหลวงพ่อก็คูดนะว่าให้ดูใจที่ไหลไปแต่ใจเนี่ยยังบอกเองว่าอยากที่จะทำสมาธินะคะหลวงพ่อการที่เรารู้ทันใจที่ไหลนี่นะคือได้สมาธิอัตโนมัติแล้วตอนนี้จิตเดี๋ยวนี้ก็จิตเมื่อก่อนมีต่างกันไหมหรือเหมือนกันณตอนนี้หลอคะหลวงพ่อเดี๋ยวนี้ช่วงนี้กับก่อนนี้มี<อ>ความแตกต่างไหม ถ, ถ้าเทียบกับเมื่อก่อน ตอนนี้ดีคือตั้งมันมากกว่าเด น, นั่นแหละสมาธิมันเพิ่มแล้วนะค่ะเนื่งจะทําสมาธิในรูปแบบในนี้ไม่ใช่เรื่องยากแล้วค่ะ<า>จะพุโทโธจะอะไรนะก็ะทําไปด้วยความรู้สึกตัวสบายๆอย่างนี้แหละค่ะนะ<า>นะพุโทโธพุโทโธไปหรือหายใจไปแล้วจิตไหลไปก็รู้เอาก็รู้ได้แล้วนะ<า>ล่ะเขาสมาธิมันมีอยู่แล้วใจบอกมาเลือกมาสตัวก็คื อ, อดูลมหายใจกับ อาสุภะกรรมฐานค่ะหลงพ่อไม่ทราบว่าทำไมเลือกสองตัวนี้ขึ้นมาอ้าวแจงจะเอาก็ให้มันไปให้ได้นะได<า>้ได้แต่ถ้าทำอาสุภะแล้วมันเกิดเกลียดร่างกายขึ้นมาให้รู้ทันความรู้สึกเกลียด<า>ความรู้สึกเกลียดก็จะดับไปล้วก็จะรู้กายด้วยใจเป็นกลางต่อไปอ า, อาสุภะถ้าทำแล้วความเกลียดชังร่างกายครอบงาจิตนะบางคนไปฆ่าตัวตายเย<อ>สมัยพุทธกาลมีพระฆ่าตัวตายเป็นร้อยๆเลยค่ะ ทีนี่ข้อสุดท้ายก็คือโยมสามีส า, ม, สามีเป็นคนต่างชาติค่ะเป็นชาวอเมรกันแล้วก็คือไม่ได้นับถือศาสนาพุทธแต่ในจุดหนึ่งเนี่ยส่วนที่ึงเขาคือเขาให้โยอมสามารถที่จะยกไม่ไหนหลงม่ไปฏิบัติคือเขายังยังใจดีที่ให้โยอมสามารถปฏิบัติแล้วก็นับถือศาสนาพุทธได้แต่ว่าใจที่โยมเป็นห่วงเขาก็คือเขามีความเครียดมากค่ะแล้วยอมกเ็เราเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เขาดูสินะ แล้วเราก็สอนให้เขาเจริญสติลรวไม่อพูดคำว่าศาสนาพุทธก็ได้ก็คือใช้ใช้ตัวเองใช่ไหมคะใชแ่แล้วก็ทำตัวเองให้เขาดูนะ<า>แล้วก็สอนวิธีเจริญสติให้อะไรเงี้ยไม่จาเป็นต้องบอกว่านี่เป็นคาสอนของพระพุทธเจ้าหรอก<า>ถ้าแม้ว่าเขายืนกานแล้วว่าเขาจะไม่เปลี่ยนศาสนาแน่นอนแต่ว่าคือคือตัวอย่างที่ยองทาให้เขาดูเนี่ย เขาสามารถไป ค, คิดว่าศาสนาพ<า>ุทธเป็นศาสนาเป็นศาสตร์อันหนึง่งเป็นคําสอนอันหนึง่งเป็นวิธีปฏิบัติพัฒนาใจหาให้เขาเรียนศาสตร์อันนี้ปไปแล้วเขาก็นับถือพระพุทธเจ้าเองเลยวันนี้ขออนุญาตอันหนึ่นนงพอดียองเพื่อนพาเพื่อนชาวต่างชาติมาค่ะเขาสนใจแล้วก็ศึกษาเยอะมากแต่สิ่งที่โยองต้องการถามก็คือโยมควรจะ สนทนาธรรมกับเขาดีหรือไม่เพราะตัวยมเองยอมรู้ว่ายังไม่ถึงขังน้นนะะเราฝึกของเราเยอะๆก่อนแล้วกันเขาก็จะเข้าใจไปได้เองใช่ไหมคะคือเราแม่นแล้วนะต้องไปบอกเข า, ากับกศารนวัตการหลงพ่อครับคือตื่นเต้นครับแล้วก็กดอยู่ก็คือจะขอส่งกันบ้านรอบ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 ห้านาทีะครับแล้วก็แล้วก็หายไปแล้วก็หลังจากนั้นมีครั้งหนึ่งก็คือกลับบ้านก็เห็นความสุขครับพอเห็นความสุขปุ๊บมันก็ตัดเห็นความสุขปุ๊บมันก็ตัดแต่พอเห็นอีกทีหนึง่งมันด้เห็นความสุขโดดออกไปจากตัวเราก็คือเรายืนอยู่ตรงนี้แล้วก็ความสุขอยู่อีกทีหนึง่งก็คืออันนี้จะเป็นมีคล้ายๆกันก็คือก่อนก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติอย่างจริงจังคือตอนนั้นลงสะพานลอยที่เมืองไทยะครับแล้วก็ เดินลงมาแล้วก็เห็นความคิดสกัดความคิดมันโดดต่อไปอยู่ข้างๆแล้วก็เห็นมันจะเป็นคล้ายๆกับที่เห็นครั้งนี้ครับ hmm. แล้วก็ก็ตอนนี้ปัญหาที่มีอยู่ก็คือเหมือนเป็นเป็นคนขี้โมโหครับหลวงพ่อก็คืออาทิตย์ที่แล้วก็เผลอไปพูดจาไม่ดีใส่คนอื่นก็เลยตั้งใจว่าอาจจะต้องกดมันไว้บ้างอะไรเงนี้ครับคือต้องตั้งใจรักษาสีเาไว้ก่อนข้าม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 แล้วก็พอเออผมอยู่ที่อเมริกาแล้วคุณพ่อคุณแม่อยู่ที่เมืองไทยครับไม่ทราบว่าถ้าจะให้ท่านปฏิบัติเหมือนผมนี่จะต้องทํายังไงดีครับเออสี่ีหลวงปู่ให้ต่างบ่อย้ครับแล้ววันนี้อยากจะขอการบ้านให้คุณพ่อคุณแม่แล้วขอการบ้านผมไปปฏิบัติได้ขอดูหน้าหน่อยเนาะขอถามพ่อแม่มานะน่ารักมากครอบครัวนี้นั่งเข็นนั่งเลยแล้วก็จะขอการบ้านไปปฏิบัติ ต่อด้ครับก็ให้คอยรู้ทันใจตัวเองจะได้นะครับเข้าพุทโธพุทโธในใจก็ได้ก็ใจมีวิคิดแล้วรู้ถ้าได้จุดตั้งต้นตรงที่ใจตั้งมั่นขึ้นมานอื่นจะงง่ายแล้วแต่ถ้าใจยังหนีล่องลอยไปอย่งนภาวนาอะไรก็ไม่ได้หรอกครับครับครับฝึกได้ดีนะคุณ่ะคือหัดภาวนากับหลวงพ่อช่วงแรกๆรกจะมีความสุขมหาศาลเลทําไมมีความสุขมากในช่วงแรกๆกเพราะว่า จิตมันตั้งมั่นขึ้นมาจินมันมีสมาธิขึ้นมาไปสุกเพราะมีสมาธินะหลังจากนั้นจเจริญปัญญาไปจะเห็นแต่ทุกข์นะแต่พอเห็นทุกข์นะแล้วใจมันคลายออกจากทุกข์ใจเป็นกลางไว้กอใจใจมันคลายออกแล้วมันจะเจอความสุขอีกชนิดหนึ่งที่ไม่มีอะไรเหมือนเลยนยกมาออย่าง น, านี้แบบตอนร้องถ้าเราเกียดเอออยากเรียนถามหลวงพ่อเกี่ยวกับความโกรธนะคะ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 แต่เรามีหน้าที่เรียนรู้ความจริงของความรู้สึกโกรธว่าความรู้สึกโกรธนี่ก็เป็นของไม่เที่ยงของบังคับไม่ได้อย่างตอนเนี้ยถึงเขาไม่หายนะเขาก็สอนให้เห็นแล้วว่าบังคับไม่ได้บังคับได้ไหมไม่ได้นั่นแหละธรรมะอยู่ตรงที่เราเห็นความจริงอความจริงคือบังคับไม่ได้ไม่ใช่ไปภาวนาเพื่อเอาชนะกิเลสนะแต่ภาวนาเพื่อให้เห็นว่ากิเลสมันก็ไม่เที่ยงจิตที่มีกิเลสเนี่ยเราก็สั่งห้ามมันไม่ได้ ถ้าสติเกิดขึ้นแล้วความโกรธมันไม่หายเหรอคะหลวงพ่อน้าสติมันยังไม่พอมัง้งคือสติเกิดรู้ความโกรธนะแล้วใจเนี่ยไม่พอใจในความโกรธนี้มันมีความโกรธอีกตัวหนึงซ้อนเข้ามาโกรธไอ้ความโกรธตัวนี้แหละเกลียดมันแต่มันไม่เป็นกลางไม่ขาดให้รู้ทันใจที่ไม่ชอบแต่ที่ไม่เป็นกลางแล้วจะขาดเอง หพ่อมีอะไรที่จะแนะนํำเพื่อนไหมคะใจเย็นเดนเ น, นาะตอนนของคุณทํามาได้ดีแล้วละ่ะนะค่อยๆเรียนรู้ไปเรื่อยใจค่อยโปร่งค่อยเบาขึ้นเรื่อยๆที่ทําอยู่ถูกแล้วนัมัสยการหลวงพ่อค่ะอยากจะมีมีคําถามรู้สึกว่าตอนปฏิบัติหลังๆนี่เวลาจะเวลาจะนอนเวลาคิดคิดคิ ด, คดอยู่แล้วมันก็รู้สึกว่ามันมันตัดนะคะ ตัดชึ้งแบบว่าแบบตอกท้ายบางทีขากระตกเลยด้วยจังมืนมันอะไรก็ตกอะไรตัดนี่ยตัดอะไรยังคิดคิดอยู่แล้วมันก็เหมือนถ้าอะไรมาลวกหนึ่งแล้วมันก็หายออันนี้เรียกว่าเป็นการตัดหรือการดับหรือ่าสติมันเกิดขึ้นนะความคิดว่าดับทันทีเลยค่ะเป็นเรื่องปกติแล้วเรืปกติหมายความว่ามันไม่ใช่ว่าดับเฉยๆนี่มันดับเขาพราะว่ามันตัดมันตัดไปเลยเมื่ราบางที ทีมก็ลืมไปเลยรู้สึกว่าตัวกระตุกด้วยกันเนาะแหมมีซาวเอฟเฟกด้วยเราส่วนมากจะเป็นเป็นช่วงช่วงตอนจะนอนอะไรอย่นีแหละมันใกล้จะหลับแล้วใกล้จะหลับแล้วตอนหลังๆนี่เป็นเป็นแบบธรรมดาด้วยแต่ว่าตอนแรกๆมันเริ่มจากช่วงนั้นกันทําใจสบายๆดูไปสบายๆแล้วเราดูจิตนี่ดูถูกใช่ไหมคะหรือว่าจะไปดูอถูกดูถูกดูสบายๆนะ หดี๋ไปให้มีความสุขราบนมัส ก, การหลวงพ่อครับถ้าผมไม่ได้ทำไม่ไดรทำภาพปฏิบัติเหมือนหน้ที่หลวงพ่อนะฮะแต่ก็ได้ฟังซีดีของหลวงพ่อเลยมาเยอะมากแล้วครับก็เข้าใจดีตอนนี้ที่ผมเริ่มทำมาเนี่ยนะฮะพอปฏิบัติมาแล้วประมาณ3มปีครึ่งนะแล้วก็ เพรากว่าชีวิตส่วนตัวเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเยอะสมัยก่อนเป็นคนที่โกรธโมโหอะไรพวกนี้นะรู้สึกว่าดีขึ้นมากแทบทุกอย่างเลยครับก็เลยปฏิบัติมาตลอดนะทุคืนนี้ก็ปฏิบัติทุกคืนก่อนนอนสวดมนต์ก่อนด้วยนะครับก็ปฏิบัตินี้ประมาณสิบห้าสสิบแล้วแต่บาวันทําได้ดีทําไม่ดีก็ข้นแล้วแต่นะครับถ้อยู่ในช่วงนั้นนะครับ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 ถ้าไม่มีอะไรรองรับสีเขียวเนี่ยสีเขียวก็หายไปเลยเพราะฉะนั้นทุกทฤษฎีอยา ก, กเลยพกออกมาเลยนะเพื่จะมีแสงสว่างเจ้าออกมาทั้งโภนาปาไหลออกมาเต็มที่หมดเลยนะครับเราก็มันเด็กก็เอ้มนันอะนไปก็ เ, เกิดเราก็รู้ว่าเออเคเกิดปิติแล้วก็รู้เออเิดเราเกิดปิติอยู่นะเข้าใจอยู่นะก็ค่อยๆกระจ่างลงแล้ว ก, าาก็แล้วก็สงบเจ็นลงอย่างอื่นเยือกเย็นลงไปเรื่อยๆๆๆนะฮะเขาเดินไปเอ๊เราก็นั่ไปเรื่อยๆแล้วก็ อันนี้ทําให้เราเกิดนึกขึ้นมาไดว่าเออมันทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเกิดโดยเหตุปัจจัยทางนั้นถ้ามีสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้จึงเกิดสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับเรา ก, ก็ทำให้ย้อนลงไปถึงเรื่องที่ที่ที่เกิดขึ้ น, นประสบการณ์นะแล้วทุกวันเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่เคยเริ่มเลยป ร, ประทับชิดอยู่ในใจตลอดเวลาแต่จะทําให้เกิดอีกไม่ได้ไม่ได้ครับอันนี้ ก็อยากจะเรียนถามหลวงพ่อว่าที่ประสบการณ์เนี่ยมันเป็นอะไรกันได้ครับก็อะไรจะเกิดไม่สําคัญนะครับสำคัญแบบจี๋เกินมารู้ทันก็เห็นผ่านไปจือใจมันมีปัญญาขึ้นมาเวลาจิตมันเกิดปัญญาภาวนาไปได้ความรู้ความเข้าใจในความรู้ความเข้าใจจากการภาวนาเนี่ยจะฝังเข้าไปลึกเลยครับฝังแบบข้ามพบข้ามชาติได้ยังใจได้เรียนรู้ไปด้วยคือตอนนั้นเนี่ยอ๋อขึ้นมาเลยนะ แล้วเราจะขอเรียนว่าผมเนีกยควรจะทํำยังไงต่อไปคือว่าจะดําเนินทางหลวงพ่อเทียนทิศ ท, ที่ว่านี่หลวงพ่อเทียนนะครับจะดาเนินต่อไปหรือว่าลองทําที่หลวงพ่อสอนดูบ้างสิ่งที่หลวงพ่อสอนเนี่ยไม่ได้แตกต่างอะไระหลวงพ่อเทียนเองกสอนให้เราหลุดออกจากโลกของความคิดมารู้ความจริง อ, อย่างการขยับ ตัวอะไรเนี่ยท่านจะบอกว่าเขย่าท่ารู้ปลุกตัวเองให้ตื่นนั่นเองก็อันเดียวกันแหละเพียงแต่เปลือกมันแตกต่างกันซึ่งเปลือกหรือรูปแบบของการปฏิบัตินเนี่ยแต่ละคนต้เลือกเอาเองไม่เรียนแบบกันไม่ได้หรอกนะ<ป>ถ้าของคุณถนัดขยับก็ขยับต่อไ ป, ไปแล้วก็คอยรู้ทันกิเลสอะไรแทรกเข้ามาในจิตคอยรู้ทันไปเรื่อย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 พอจิตตั้งมั่นแล้วนะถ้าเดินแนวหลวงพเทียนได้แม่นแม่นจริงนะพ็ขยับแล้วจิตรู้สึกตัวแล้วก็เคลื่อนไหวไปจะเห็นว่ารูปนี้ไม่ใช่ตัวเราต uh huh. ั้าอย่างนี้เดินปัญญาแล้ะถ้าขยับแล้วแค่รู้สึกตัวอยู่เฉยๆไม่เดินปัญญาไม่พอ uh huh. รูกสิษย์หลวงพเทียนที่หลวงพ่อรู้จักนะที่ภาวนาดีจริงๆมีหลวงพ่อคําเขียนองค์หนึ่ง uh huh. องค์นี้แหละดีเวลาเจอกันนะน่ารัก นบอกการปาโมดเราเป็นจักรยานลมิตรกันนะ <c oughs> หลอกเราไม่เคยสงสัยการปาโมดเลยได้ไปเห็นครั้งแรกแล้วกานจะเจอท่านครั้งแรกท่านเป็นมะเร็งลุกขึ้นก็ไม่ได้นะนอนอยู่ท่านก็บอกว่าโอ้ไปได้แล้วศาสนามีคนรักษาแล้วบนะอกบอกผมไม่ไหวแล้วนะท่านก็ดีนะ ตอนนี้ใครไปหาท่านทนะ่าบอกให้มาหาอาจารย์ประมุ่ถ้าใครมาหาหลวงพ่อนะถ้ารู้ว่ามาจากแถวชายภูมิไปหาหลวงพ่อคำเขียงเขาก็ไปบอกว่าเขาไปไปแล้วหลวงพ่อคำเขียงบอกให้มาหาหลวงพ่อประมุลคือถ้าเข้าใจกรรมฐานเข้าใจธรรมะแล้วนะมันไม่มีความต่างเยียวว่าแต่ความแตกแยกเลย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 ให้คำแนะนำด้วครับอาจารย์พยายามเคลื่อนไหวไหมเคลื่อนไหวดิ <ไป S 2> อาจารย์<ม><ม>เคลื่อนไหวไหมไม่ใช่ความเคลื่อนไหวใช้ร่างกายมาช่วยตอนนี้ถ้านั่งสมาธิรถจะเคลื่อนไหวแบบไหนอาจารย์เคลื่อนไหวยังไงก็ได้นะเนสมัยหลวงอภาวนานะหลวงอมีพัดเดือนนะนั่งพัดจะอยู่เมืองนี้หนาวๆคงพัดไม่ไหวะถ้าร้อนๆก็นั่งขยับอย่างเี้ น, นั่งแล้วก็รู้สึกสวัวแค่พัดนี่นั่งก็คือหลักเดียวกับหลวงพ่อเตียนนะเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกของคุณต้องเอาร่างกายมาช่วยนะ ถ้าไปดูจิตร่วนๆเดี๋ยวมันจะหลับไปคือโดยธรรมชาติเนี่ยถ้าอายุสี่สิบแปดอัพนะอยู่นิ่งไม่ได้นะโดยธรรมชาติจำเป็นต้องเอากายช่วยหลวงพ่อบวชนะขนาดพอนามมาตั้งแต่เด็กนะตั้งแต่เจ็ดขวบพอนามมาตลอดเลยพวาบวชนะมันนั่งสมาธิเดินจงกรมจะหลับเอานะเพราะร่างกายมันซุดโทรมลงแล้วต้องใช้วิธีเคลื่อนไหวะขยับไปนั่งพัดไปเรื่อยนะ มีพัดอยู่อันไปไหนก็ถือไปเรื่อยเคลื่อนไหวไว้ครั บ, รบแล้วถ้าสังเกตให้ดีนะจะเห็นหลงพ่อไม่เคยหยุดกระดิกเท้าเลยถ้ามีโต๊ะเนี่ยก็ดีหน่อยซ่อนได้ <c oughs> <c oughs> จะขยับไปเรื่อยเรื่องความเคยชินเรียนเรีนยนถามอาจารย์<ป>อีก อ, อีกข้อนครับตอนอทุกปีนี้ผมกับภรรยาจะถือสื้อแปด แล้วรู้สึกว่าตอนถือสีแปนี่พราะมีสีแล้วสติจะเกิดขึ้นดีมากขึ้นกว่าเดิมดีเพราะาเราถือเป็นกล่าวๆนะแต่ถ้าถือสีแปดทุกวันนะมันจะดือด้อๆไปใจมันจะดื้อด้านคือมันก็ไม่ค่อยเกิดครับถือเป็นกลาวๆถือเป็นกลาวเพราะว่าทานี่หลวงพ่อแนะนำนะถ้าจะถือสีแปเนี่ยให้ถือเป็นครั้งคราวถือตลอดลําบากนะถือตลอดอย่างถ้าเราทํางานหนักๆ ตอนบ่ายแล้วตอนเที่ยงแล้วไม่กินข้าวอะไรนี่ลำบากหรือบางคนทำงานเนี่ยตั้งใจถือศีลแปด ต, ตอนพักกลางวันก็เที่ยงแล้วไม่ได้กินแล้วกรทักงเดี๋ยวก็โสมยันตื่นเป็นครั้งคราวครับพระคุณอาจารย์ครับน้ำมศการหลวงพ่อค่ะ คือมีคำถามตรงนี้ช่วงหลังๆมานี้เนี่ยจิตใจมีเรื่องทําให้จิตใจเศร้าหมองอมแล้วก็ทําให้จิตเนี่ยไม่เป็นอุเบกขามไม่ทราบว่าจะทํำยังไงใหม้มีสติคือมสีสติที่ว่าจะรู้ว่าควรจะเป็นกลางค่ะคือถ้ามันมีความทุกข์มากมีความเศร้าหมองมากนะเจริญสติเจริญปัญญานี่ยบางทีสู้ไม่ไหวต้องช่วยมันบ้างนะสอนมันปลอบใจมันพามันคิดนะ นั่งบริกรรมไปเรื่อยว่าทุกอย่างนี้มันชั่วคราวเดี๋ยวมันก็ผ่านไปอะไรเงี้ยต้องไว้ว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเดี๋ยวมันก็ผ่านไปบริกรรมไปเรื่อยนะยู่อยู่ไปดูตอนนี้เราดูไม่ไหวแล้วช่วยมันหน่อยปลอบมันปลอบมันว่าเดี๋ยวความทุกข์นี้เดี๋ยวปัญหานี้มันก็ต้องผ่านจนได้แหละพอใจมันสบายใจมันร่มเย็นขึ้นมาเราก็ค่อยดูต่อมีคนหนึ่งนะเป็นด็อกเตอร์ มาเรียนที่อเมริกานี่แหละเรียนเรียนอยู่ทางซานซานเขาวันหนึ่งมาส่งกันบ้า น, นะเขบอกสติแตกหมดแล้วทําไงก็ไม่ไหวแล้วนะเครียดจัดเลยตัวงพ่อถามบอกว่าชอบทําอะไรบ้างบอกเ้าชอบฟังเพลงคลาสสิกบอกต่อไปนี้เลิกปฏิบัตินะไปฟังเพลงคลาสสิกให้จิตใจมีความสุขให้จิตใจมีความสุขจิตใจอจะเริ่มสงบจิตใจสงบแล้วค่อยภาวนาต่อ ฟังเพลงคลาสสิกมันไม่บาปกรรมอะไรนี่คือการภาวนานะต้องรู้จังหวะเหมือนกันหากโหมมากจิตทนไม่ไหวตอนนี้ต้องถอยบ้างแต่ถอยแล้วไม่ถอยออกนอกรูก้นอกทางอ่ะจจกจนสุดท้ายลนะกราบพนักงานหลวงพ่อนะคะหลวงพ่อก็เวลาบางทีโยมปฏิบัติธรรมอยู่เนี่ยบางทีความคิดไม่หยุดเลยอะคะ่ะหลวงพ่อเราไม่ได้ห้ามนะ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 ของเราคิดแล้วกิเลสมันแทรกหลวงพ่อเรื่องยมนี่ดูจิตนี่ใช้ได้แล้วใช้ได้ใช้ได้นิสัยยมที่โมโหดูจิตเนี่ยดูง่ายมากเลยนเียแต่ดูไปดูไปแล้วมันโมโหขึ้นมามันขัดใจขึ้นมาอีกนะให้รู้ทันลงไปเลยมันไม่เป็นกลางแล้วแถมอีกคนหนึ่งแถมได้คนเดีย ว, วนะกับน้มัสการหลวงพ่อ อันนี้เป็นปัญหาส่วนตัวที่เอียงหาคําตอบไม่ได้ก็คือด้วยชีวิตประจําวันและเนื้องานเนี่ยจะเห็นเกิดแก่เจ็บตายเราก็เกิดความรู้สึกหดหูเป็นทุกขเราก็พยายามบอกเออหยุดคิดเพราะถ้าเราคิดเนี่ยเราก็ยิ่งหัวถูแต่เหมือนกับไปบังคับจิตไม่ได้ทําไม่ได้มันก็เลยยังไม่รู้จะแก้ไขตรงจุดนี้ยังไง ใ, ให้รู้ทันความหดหูที่เกิดขึ้นพอจิตอยากให้หายหดหูให้รู้ทันความอยากที่เกิดขึ้นให้รู้ทันจิตของเราเอง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 อี ม, มันก็จะราคาญไปเรื่อยอย่างนี้นะไม่หรอกแต่ไปมันจะเห็นเลยความราคาญไม่ใช่จิตแต่จิตไม่เคยรำคาญเลยความราคาญเป็นสิ่งแปลกปลอมที่เกิดขึ้นมาเป็นคราวๆแล้วฝึกไปจนชำนี้ชํานาญนะแต่อไปไม่มีราคาญซักนิดหนึ่งก็ไม่มีนะแด้ถ้านักคาเมื่อไหร่สบายไม่ราคาญล้ว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 อ่ะแล้วนะพอสมควรแล้วขอกราบขอบครรุณหลวงพ่อมากนะครับแล้พวพรุ่งนี้มีอีกนะครับก็ขอกราบนิมนต์หลวงพ่อไว้ด้วยสําหรับครั้งที่สองหลวงพอกําเกลียงเคยมาที่นี่สองครั้งก็กราบนิมนต์หลวงพ่อไว้ล่วงหน้าด้วยไปไหนเนาะเคยมาที่นี่สองครั้งหลวงพ่อกําเกียงก็นิม น, น <ไว S 1> ต์หลวงพ่อไว้โล่งหน้าด้วยพรุ่งนี้ถัด <c ười> ไปครับคืน <ห ả? S 1> นี้มีอีกรอบนะฮะ เป็นของฝรั่งมาฟังได้แต่จะไปแย่งเขาถามอทุ่มหนึ่งนะครับแล้วพรุ่งนี้มีอีกรอบ9โมงถึง11โมงขอบพระคุณหลวงพ่อมากเรัเทศฝรั่งฟังแล้วหลวงพ่อปวดหัวนะเราพูดกับเขาไม่เป็นคุณหมอต้องแปลใช่ไหมคุณห ม, มอทานเย็นอ่ะคุณหมอมนนัน น, มมนั่งตรงนี้เลยเนะียแตนั่งแปล Ha, ha, ha.